แล้ววันนี้คุณแม่ท่านได้ฝากไว้ว่ากราบเรียนท่านพระอาจารย์ว่าขอให้พระอาจารย์เมตตาสอนเกี่ยวกับอนาปปนสติและสอนว่าพระเจ้าสอนอะไรกับผู้หญิงบ้างและเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าอย่างไรน่ะเจ้าค่ะอืกราบในมูลเจ้าค่ะ สอนเรื่องความรักว่าอย่างไรพระศาสดาดัดเรื่องของความรักว่าจริงๆแล้วมันเป็นโทษอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่มุมที่ดีมุมดีก็มีเหมือนกั น, นการที่เรามีความรักในสิ่งใดเนี่ยมันจะ เรียกว่าเป็นองคุณเครื่องให้เกิดความสาเร็จที่เรียกว่า <c oughs> อิทธิบาท4นะมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาตัวฉันทาเนี่ยคือความพอใจรักใครยมจะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จยมต้องมีความรักใครพอใจในสิ่งนั้นก่อนถ้ายมไม่พอใจที่จะทำะไรเนี่ยไม่สำเร็จแน่ความเพียรมันจะไม่ต่อเนื่องเราจะไม่อยากทาแต่ถ้าเราอยากทางานตรงเนี้ยเราจะพอใจทำ มันจะสําเร็จจนได้แต่ตัวฉันทะพระตถาคตก็บอกว่าทุกข์ใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดเลยตัวความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงนะ ไม่ดีอีกแล้วไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันความพอใจจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโยมพอใจในดอกไม้อันนี้ต่อไปดอกไม้เสื่อมปั๊บเนี่ยยมกระทุกเพราะสิ่งที่โยมพอใจมันจะไม่ได้อยู่คงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงยมพอใจในแก้วใบนี้เมื่อแก้วล้าวยมกระทุกแก้วแตกโยมกระทุกนะ่ะ พอใจคนคนนี้พอคนคนนี้เปลี่ยนแปลงโยมก็จะทุกข์นะและโยมจะคาดหวังให้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการคาดหวังที่ไม่ถูกต้องนะเพราะธรรมธาตุในโลกนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นมนะาเห็นนะนี่พระองค์ตรัสกับคาเมนี ทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทาเป็นมูลมีฉันทาเป็นเหตุเพราะว่าฉันทาเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์และทุกใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทาเป็นมูลมีฉันทาเป็นเหตุเพราะว่าฉันทาเป็นมูลเหตุของความทุกข์มีความพอใจในอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าจะพอใจในสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ รัตถาคตบอกว่าต้องมีธรรมารโมมีธรรมเป็นที่มายินดีปหานาราโมมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีอพยาปชาราโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนะปวิเวการาโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีแล้วก็มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่างนี้ถ้าโยมยินดีในสิ่งเหล่านี้ อันนี้เป็นประโยชน์นะพระศาสดาเป็นผู้ที่รู้ว่าจะหยิบสิ่งใดในโลกธาตุนี้มาเพื่อประโยชน์มาเพื่อให้เห็นโทษมาเพื่อเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากนั้นหลักในเรื่องของความรักเนี่ยก็รักแบบนี้มีทั้งดีมีทั้งโทษนะ พระองค์จึงบอกว่าขัน5เนี่ยมาแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันการกำเนิดของเธอนั้นเนี่ยการเกิดของเธอนั้นจะเป็นการปารลบเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยธรรม6ประการคือธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดี ภาวนารามโมเห็นไหมมีการเจริญภาวนาเป็นที่มายินดีปหานารามโมละกิเลสเป็นที่มายินดีปวิเวการามโมนะมีความสงบสงัดเป็นที่มายินดีอัพยปาชาราโมมีธรรมอันไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีต้องยินดีในการไม่เบียดเบียนนิปปัญจาราโมมีธรรมอันไม่ทําความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีไม่เนื่นช้า ย่อมมีทำ6ประการนี้จะสิ้นอาสะวะได้หลุดพ้นจากความทุก์ได้พิสูุทั้งหลายอะไรเป็นอาทีนวะของรูปคือโทษอันต่ํำสามพิสูุ์ทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลจะได้เห็นน้องสาวหรือน้องหญิงมีสำนวนการแปลบาลีนะีผู้หญิงเขาเรียกน้องหญิงหรือน้องสาวนะ นั่นแหละโดยการต่อมามีอายุได้80ดปีบ้าง90ปีบ้างชลาสุดสมแล้วมีหลังงอเหมือนโคปานสิแห่งหลังคามีกายคดไปคดมามีไม้เท้ายันไปในเบื้องหน้าเดินตัวสั่นเทิมกระสับกระส่ายผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมหงอกแล้วมีผมตัดสั้นอย่างลวกลวก มีผิวหนังอันหย่อนยานมีตัวเต็มไปด้วยจุดภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวรรณะอันงดงามที่มีมาแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายนั่นคืออาทีนวะของรูปโทษของรูปเป็นอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลาย โทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั่นแหละอาพาธลงได้รับทุกทรมานเป็นไข้หนักนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและคูดของตนเองอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและนอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้ว โทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นั่นก็คืออาทีนวะของรูภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละบัดนี้เป็นสรีละล่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพ ตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างตายแล้วสามวันบ้างกำลังขึ้นพองบ้างมีสีเขียวบ้างมีหนองไหลบ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความหมายนี้อย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรทานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายแม้นั้นก็คืออารีนวะของรูป โทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละบัตรนี้เป็นสรีระล่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิง้งศพฝูงกาจิกกินอยู่บ้างอันฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างอันฝูงตะกรุมจิกกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขกัดกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างอันหมูนอนต่างๆชนิดบ่อนกินอยู่บ้าง ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตราทานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นั่นก็คืออารทินวะของรูปยังบรรยายอีกเป็นสิบหน้ากระดาษนะศพกระจายออกไปเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกกระดูกกระจายเลี่ยราดไปกระดูกเป็นผุยผงนะ จนแตกสลายไปกับดินนะเนี่ยนี่คือโทษของรูปเห็นน้ำหนักของการบอกไหน้ำหนักของอาทินะอัสสาทะพูดนิดเดียวอาธทินวะพูดเป็นสิบหน้ากระดาษเลยนะนี่คือลักษณะที่ให้เราพิจารณาโทษของมันนั้นเราต้องพิจารณาโทษมันบ่อยๆ เราถึงจะถอนอุปทานในสิ่งสิ่งนี้ได้นะทุกคนกําลังเดินไปสู่ความแตกสลายทํายังไงจะแก้ความแตกสลายนี้ให้ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนมีวิมุติคือความไม่ตายอยู่นะแต่ทุกคนดันไปพอใจของเกิดของตายของเน่าของแตกสลายผู้เจ้าเลยบอกว่าเธอกําลังเข้าใจผิดนะเธอมีอวิชชาความเข้าใจผิดผู้เจ้าอยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปสู่สภาวะเดิมของพวกเรา คือสภาวะคือวิมุตติหรือนิพพานคือความไม่ตายตัวความไม่ตายนี่แหละผู้หลงนี่แหละที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรหลงยึดติดขันห่าว่าเป็นตัวเราของเราเราเลยต้องแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายไปกับสิ่งเหล่านี้ยังหาที่จบไม่ได้นะถ้ามีคนคนหนึ่งอยากจะออกจากสังสารวัตรอยากจะออกจากระบบของการแก่เจ็บตาย และสงสัยว่ามีใครสักคนบ้างหรือไม่หนอที่บอกวิธีออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ณนะวันนี้มีคำตอบคือคำพระสาสดาของเรานะพระธาคตบอกว่าอริยะอัตถังคิกมัค น, นินเองคือกรมมนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาปฏิปทาถึงความสิ้นกรรมนะการกระทำของจิตในอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถดับไปได้ดับความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงออกได้ ถึงแม้โยมจะเคยทำกรรมมาเยอะขนาดไหนก็ตามมรดแปแก้ได้และให้ผลร้อเรซพราะองค์เปรียบเทียบการให้ผลของมรดมีองค์8กับยาถ่ายบอกยาถ่ายในทางโลกเนี่ยบางทีก็ให้ผลบ้างไม่ให้ผลบ้างนะเราทานยาถ่ายไปเนี่ยบางทีก็เออถ่ายดีบางทีก็ไม่ออกต้องเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนี้แต่พูะเจ้าบอก ยาถ่ายอันเป็นอริยะเรียกว่าวิเรจรังมักมีองค์แปดให้ผลอย่างเดียวไม่มีการไม่ให้ผลทายความแก่ความเจ็บความตายออกไปได้น่ะคุณเจ้าบอกนี่คือยาถ่ายอันเป็นอริย ะ, น, ะนั้นเราจะสามารถแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องแก่เจ็บตายอีกต่อไปจริงๆเป็นสิ่งที่มนุษย์เกิดมาต้องรู้เป็นอันดับแรกของชีวิตน่ะ ทุกคนไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากเจ็บเป็นไข้ขึ้นมากินยากันไหมกินกันทุกคนเนาะหรือปล่อยมันตายไหมมันเป็นไรก็เป็นใช่ก็แสดงว่ากลัวตายกันทั้งนั้นะน ะ, ะถ้าไม่กลัวตายเวลาป่วยอยากกินยานะไม่กินนอนวัดดวงไปเลยนะนึกเหมือนกับสิงศารสัตว์อยู่ในป่ามันไม่มีหมอรักษามันทาไง มันเป็นค่ามันก็ต้องทนมนุษย์เราจะทนอย่างนั้นไหมปล่อยตายไปวัดดวงตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าทุกคนมีความห่วงใยในอัตภาพของตัวเองนะยุงมดปลวกมแมลงต่างๆมันก็รักอัตภาพมันนะโยมบอกว่ายุงไร้สาละมากเลยตายซะเพีย้ยใช่ไหแต่มันก็บอกอย่าตบฉันนะฉันไม่อยากตายนะ แต่หิวอ่ะขอดื่มเลือดสักหยดได้ไหมเราบอกเอ้ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะนั้นสัตว์หรือระบบชีวิตทุกระบบเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยลักตัวหมดเลยนะทำยังไงจะให้เห็นว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี่แหละมาเห็นโทษอาทินวะและต ถ, ถาคตจึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย การละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเห็นไมืม <c oughs> <c oughs> ใจยังไม่ใช่ของเราเลยนะเราก็ใจของเรานเนี่ยนะแต่ใจพระเจ้าบอกไม่ใช่ของเราเพราะอะไรอะ่ะเนี่ย จักสุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจักสุนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอโสตะคานะชิวหากายะมะโนใจเหมือนกันโอ้โหใจยังไม่ใช่ของเราเลยแล้วอะไรเป็นของเราอ่ะสรุปแล้วอะไรเป็นของเราหน้าที่เราคือปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา <c oughs> เหมือนยมถือของหนักเนี่ยแล้ะยมอยากได้ความเบา โยมก็ถือไปเลื่อยความเบาอยู่ไหนความเบาอยู่ไหนโยมวิ่งหาไม่มีทางเจอวิมุตต์อยู่ไหนวิมุตต์อยู่ไหนวิ่งหาไปเถอะมันเกาะติดไปกับโยมตลอดเลยวิมุตต์ก็อยู่ตรงนี้ความหนักก็อยู่ตรงนี้ขันห้าก็อยู่ตรงนี้เพราะเราจับเอาไว้แค่โยมมีหน้าที่ปล่อยวิมุตต์เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเวลาโยมวางแล้วโยมต้องไปวิ่งหาความเบาไหมไม่ความเบาเกิดเองอัตโนมัติใช่ไหมอืมวิมุตต์อย่าไปวิ่งหานะ มีหน้าที่เห็นโทษของขันทั้งห้าธรรมชาติห้าอย่างนี้และปล่อยวางให้ได้นะความเบามาเอง<ม>วิมุติปรากฏขึ้นเองซึ่งมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วหน้าที่โยมคือละความพอใจในขันห้านี้ให้ได้เมื่อโยมวางความพอใจได้โยมปล่อยมันลงหมดเกลี้ยงความเบาเกิดขึ้นเองอัตโนมัตินะแรกแรกก็วางรูปก่อน ของหยาบตาหูจมูกดิ้นกาย5้าช่องทางเกิดความยินดีมาปั๊บบีบวางยินดีมาปั๊บบีบวางพระตถาคต จ, จึงสอนการละนันทีคือความเปลิ น, นบอกนันทิขยาราคะขยโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทีคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจ ราคะขายานันทิขโ ย, ยเพราะความสิ้นแปลงความพอใจจึงมีความสิ้นแปลงความเพลินนันทิราคะขายาจิตตังสุวิมุตติปุจจติเพราะความสิ้นแปลงความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่และความเพลินจิตหลุดพะะ้นเลยอย่างเป็นมรรควิธีที่ง่ายสั้นเร็วมากนั่นให้เราเหมันละความเพลินอยู่กับลมละความเพลินอยู่กับลมหายใจ จิตหลุดไปคิดปุ๊บรีบวางกลับมารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนออกไปอีกปั๊บรีบวางกลับมารู้ลมหายใจยมทำแค่นีนะ้นันที่เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าสอนบ่อยมากในครั้งกุศการแต่กลับไม่ค่อยมีการสอนกันในยุคนี้ละนันทิให้ได้จิตจะหลุดพ้นนะเป็นวิธีที่โยมหยิบมาทำแล้วไม่ต้องเปลี่ยนวิธีอีกเลยละนันทิไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุติเลยนะ อาณาปานสติก็เป็นอีกมัควิธีหนึ่งที่พระตถาคตเนี่ยสรรเสริญไม่มากนะลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอืมผลของการทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งอาณาปานสติคืออะไรผลอย่างยิ่งของมันใครตอบได้มีไหมจเจริญอาณาปานสติถึงที่สุดแล้วได้อะไรขึ้นมาน มีใครตอบได้บ้างนอกได้ปัญญาเหรอแค่นั้นเองเหรอได้อะไรเนะาะอนาปาผลสูงสุดของอานาปาคือทำอะไรได้จะเลยอานาปายะมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกผลสุดท้ายของการรู้ลมหายใจได้อะไร อะไรนะได้เห็นไตรักได้สติได้ปัญญาได้ได้อะไรอะไรนะได้ญาณก็ใช่อยู่นะแต่สุดท้ายของการเจริญอนาปานสติก็คืออลาตะผลม บอกว่าผู้ใดกระทําให้มากจเจริญให้มากนะซึ่งอาณาปานสติภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอ น, นิสง์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออ阿拉หัตตผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันพระ阿拉หันในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาธิเหลืออยู่ อุปทานเองนะก็จกเป็นอนาคามีได้พระลาหนหรือพระอนาคามีแหมไม่เอาให้สูงสูงเนี่ยนะเดาเตี้ยจังเลยนะถูกอยู่เห็นเกิดดับเห็นตายลักได้ยานะถูกหมดน่ะได้แล้วผลของมันคืออะไรคือพระราหนาในปัจจุบันด้วยเห็นนะ และลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้พระองค์บอกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นสติปัฏฐานสี่อีกนในส่วนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจเข้าออกเป็นสติปัฏฐานทั้งสข้อครบเลยกายเวทนาจิตธรรมนี่ยกมาให้อันเดียวคือกาย พิสูจทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจนนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายเผากิเลสเห็นนะขณะที่ยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยผู้เจ้าบอกเธอกําลังเพียนเผากิเลสนะและเธอมีสัมปันมีสติความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้เห็นนะอยากพี่นั่งรู้ลมเข้าลมออกไปจบแล้วแค่นี้ง่ายๆ หมูไหมทำมากจะพระอาหารหันต์ไปทำอะไรอย่าง ไ, ไม่ต้องเลยไม่ต้องทำอะไรรู้ลมหายใจเข้าออกจบแล้วหมูสุดง่ายสุดเน้ะพเจ้าสรรเสริญอ น, นิสงไว้มากนะอ่าอะไรที่ศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสันเสริญมากชี้มากบอกนิสงไว้มากเดินตามนั้นก่อนผู้เจ้าบอกมหาชนจะเดินตามที่ตถาคตบอกสอนเอาไว้สรนเสริญเอาไว้พภพเจ้าสอนมรรควิธีไว้เป็นพันโยมจะไปนั่งเลือกวิธีไหนโยมก็ต้องดูว่าเอ้ผู้เจ้าแนะวิธีอะไรอ๋อแนะอันนี้พินาผัสสะบอกเป็นปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผลอ๋อแนะการละนันทิ อ๋อแนาปานสติตถาคตก็ยังใช้อานาปานสติพระพุทธเจ้าของโยมใช้อานาปานสติแล้วยมไม่ใช่เหรออืมพรุทธเจ้าบอกอริบุคคลทั้งหลายแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยพระุทธเจ้าก้าวตรงไหนก้าวตรงนั้นก้าวตามก้าวตามเดินตามทำตามเหมือนอย่างตถาคตเป๊ะเลยเดินตามนั่นเราเดินตามพระศาสนาไม่มีข้อผิดเลยเยม ง่ายด้วยนั่งรู้ลมหายใจเข้า อ, ออกโยไม่ต้องไปสับสนไม่ต้องไปเอ๋ที่นี่สอนนั่งสมาธิต้องสั่นเขยา่าตัวโอ้โหไปนั่งเขยาา่าไหเมื่อยใช่ไหมตายพอดีไอ้นี่เลื้อยเป็นงูไว้นี่ออกเป็นจระเข้เป็นนกเป็นบินอะไรออกไปกันใหญ่แล้วเอ๋อาผู้เจ้าไม่มีสอนอ่ะจบไปนะอันนี้เป็นนั่งเห็นแสงสว่างเห็นโน่นเห็นนี่อ่ะผู้เจ้าเห็นอะไร ให้เห็นจิตตัวเองทำงานอย่างไรนะไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปสุขทุกนะอ่านี่เห็นอาการจิตในภายในจบแล้วแค่นี้เป็นพระหรหันต์ได้แล้วนะอ่ะารูลุวัตถุประสงค์แล้วนี่จะต้องไปวิ่งหาอะไรอีกไม่ต้องวิ่งหาอะไรแล้ว ม, มีผลมากมีนึกสงมากด้วยนะ และผู้เจ้าบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมกายนะหรืออย่าลืมลมลมคือกายกายคือลมการรู้ลมคือการรู้กายเหมือนกันผู้เจ้าจึงบอกว่ากายยะคตาสติอัญชนเหล่าใดหลงลืมอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าโยมไม่เอาจิตมาอยู่กับลมโยมกำลังลืมอมะตะธรรมคือนิพพานโอ้เรื่องใหญ่เห็นนะไม่ใช่เรื่องเล็กเลย การเอาจิตอยู่กับลมเป็นเรื่องใหญ่โตพอสมควรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายยัตาสติอัญชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นหลงลืมกายยัตาสติอัญชนเหล่าใดาไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเห็นนะจําคีย์เวิร์ดสั้นๆของผู้เจ้าตรงเนี้เอาไปนี่เอามาเรียงร้อยกันให้เห็นเหตุผล ว่าทำไมพระตถ า, าคตจึงอยากให้เราเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายคือลมหายใจเข้าออกเพราะมันกําลังได้มาซึ่งวิมุตต์หลุดผลอมะตะธรรมนิพพานความไม่ตายไม่มีใครอยากตายหรอกเยอมนะแต่ของตายก็ต้องให้ปล่อยให้มันตายไปและเรามาเข้าถึงความไม่ตายดีกว่าคือวิมุตต์หรือนิพพานวิธีเข้าทําอย่างไรรู้ลมหายใจไว้ และผู้เจ้าให้รู้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิต <c oughs> ให้รู้ลมหายใจสุดท้ายของชีวิต <c oughs> เพราะการรู้ลมหายใจเมื่อพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ผู้เจ้าบอก <c oughs> ชื่อว่าเธอมีสติสัมปชัญญะถูกต้องมหอ่าไปดูนะผู้เจ้าบอกให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายอืมถ้าโยมกําลังจะตายนะโยมไม่ต้องทําอะไรโยมมีสติสัมปชัญญะ อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปดูพระสูดนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทากาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสาหรับพวกเธอทั้งหลายนะอยู่กับลมหายใจเมื่อรอคอยการตายกาละตายนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปนึกถึง หอดกระถิ่นพ้ปาป่าทำบุญไอโ้นนท์ไอ้นี่ปรงแต่งไม่ต้องไม่ต้องกุศล อ, อย่างยิ่งคืออะไรไปดูมะอะไรคือกุศลบอกให้อยู่กับลมยังไปวิ่งหากุศลอะไรไม่รู้ว่าลบนั่นแหละคือกุศลอย่างยิ่งพระเจ้าบอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคืออะไรภิกษุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีกองกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องนะ กุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่อะไรสติปัฏฐานทั้งสี่เห็นกายในกายเห็นกายในกายเมื่อกี้ผู้เจ้าหเห็นอะไรลมไหลเข้าไหลออกจบแล้วเห็นนะโยงมาทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะประมวลลงที่นั่งรู้ลมไหลเข้าไหลออกง่ายไ้มให้โยมเห็นเห็นถึงเหตุผลทั้งหมดที่พระศาสดาบอกประโยชน์ถึงการมานั่งรู้ลมเดี๋ยวโยมจะบอกว่าดิฉันจะโง่ลมันมานั่งรู้ลมไม่ต้องคิดอะไร นะบื้อแน่เลยงานนี้ออกจากสเสถียรไปตายตา ย, ตายนะรับรองว่าไม่ใช่โยมจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดการรู้ลมหายใจเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งฌานทั้งสี่นะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานสมาธิทุกระดับการได้ฌานสี่มีประโยชน์อะไร ครูเจ้าบอกเมื่อเธอได้ฌานสี่เธอจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นนรกปัญญายอมจะ ก, กว้างไกลที่สุดไม่มีอะไรในโลกธาตุที่ยมรู้ไม่ได้รู้ได้หมดเลยเรียกว่าแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นนรกนะเห็นไหมการเอาจิตอยู่กับลมหายใจจนจิตนิ่งนั้นเนี่ยอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันถึงประโยชน์ว่าจะฉลาดที่สุดน ะ, นะและผู้เจ้าเนี่ย เป็นสัพพัญยูก็เพราะพระองค์ปฏิบัติมรรคแปดและก็พระองค์จเจริญอานาปานสตินี่แหละเพราะพระองค์บอกว่าแม้เราเองเมื่อก่อนตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออะไรอานาปานสติสมาธิอืมไปดูพระสูตรนี้ภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายแม้เราเอง เมื่อยังไม่ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอนมากพิกสุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอนมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานพิกสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิษุปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบาก ตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานดังนี้แล้วไซอาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเขาไวแล้วกายจะไม่ลำบากตาจะไม่ลำบากจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะอืม นั้นสิ่งที่โยมกำลังทำอยู่คือการเจริญอน า, าปาณสติรู้ลมหายใจเข้าออกสุดยอดแล้วนะกระเป๋าโทรศัพท์อยู่ไหนี้ใช่ไหอ่าเดี๋ยวให้อุโศมาร์ให้ดูว่าตอนนี้เรามีวิธีตรวจสอบความถูกต้องในพุทธวจนะได้อย่างรวดเร็ว เวลาโยมไปฟังเขาว่าเอ๊ะเขาสอนอาณาปานสติมันถูกหรือเปล่านะอ่าตอนนี้เราเขียนโปรแกรมเนี่ยให้สามารถสแกนได้ในมือถือแล้วใครมีมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Android สามารถใช้ได้ทุกเครื่องโหลดได้ที่เว็บเดี๋ยวจะบอกให้เห็นไหมอีใจปิตกะตัวนี้ เนะอ่านี่เรามีผู้จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมทำให้นะเขียนเสร็จแล้วตอนนี้เป็นรุ่นทดลองใช้อ่าถ้าเราจิ้มไปที่นี่ป๊บพระตันตปิดกจะขึ้นมานะนี่ต้องการดูลายวินัยปิฎกนะอ่าสุตันตปิฎกนะอภิธรรมปิฎกมีหมดนะกี่เล่มนะเล่มที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ีห้ามีหมด นะทั้ง45ห้าเล่มนะสุดตันแตปิโดก็ยี่ห้าเล่มนี่นะต้องการอ่านนะก็กดอ่านตรงนี้ใช่ั้ยอ่านี่ก็เยอะแยะเลยข้อมูลเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปต้องการอ่านอะไรนะอยากจะเช็คไหมว่าอาณาปานสติเนี่ยเขาสอนกันมั่วหรือเปล่าพระศาสดาคเคยพูดไว้ไหมสักคำหนึ่งนะโยมก็กดนะ วิธีสแกนหามันก็จะขึ้นคีย์บอร์ดให้โ ย, ยมก็คีย์คำว่าอาณาปาไปนะอาณาปานาสตินะแล้วก็กดค้นหามันก็สแกนนะปั๊บฟึบออกมาอ่าเจอในสุตตันตปิฎกกีพสูตรนะอ่านี่ขีพสูตรอภิธรรมขีพสูตรนะข้อมูลก็อยู่ในนี้ต้องการดูละเลียดก็ขึ้นมาอ่านี่ตรงนี้อาณาปานาสติ เทียบเคียงไปบาหลีได้ไหมกดคลิกปับ๊บน่ะกลับไปบาลีอ่าอันนี้กลับมาเป็นภาษาไทยนะนี่ต้องการเทียบเคียงไปบาลีนะก็มีอีกกดคลิกปับ๊บเทียบเคียงอ่ามันจะพลิกไปบาหลีทันทีเห็นนะทีนี้โยมพระองค์ไหนพูดผิดเสร็จฉันนะอย่าเทศผิดนะ เดี๋ยวจะสแกนหลวงพ่อบรรยายผิดนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ใช่ไหพระพุทธเจ้าอยู่ติดตัวกับพวกเราทุกคนเลยโยมไม่ต้องพกผ้าเครื่องพกพระพุทธเจ้าพกอีตรปิตกะไปนะสแกนได้ตรวจหาได้ไม่ต้องคอยพึ่งอัตมาด้วยโยมรู้หลักการนิดเดียวว่าคำพระศาสดาเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ย จะอยู่ในวลีคำพูดว่าดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายดูก่อนอ น, อนุ์ดูก่อนสารบตรอย่างนี้ส่วนคำที่ปรุงแต่งขึ้นจะอยู่ในวลีคำพูดว่าบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าอ่ทีนี้ให้ดูในคนะอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะอ่านี่ทำได้เป็นครั้งแรกในโลกนะอีกไม่กี่วันเดี๋ยว Daily New วก็จะออกข่าวนะสัมภาษณ์อาตมาไปแล้วนะกับทีมงานอ่าาจะได้เห็นรายละเอียดนะเพราะครั้งแรกในโลกที่ทาได้ เราพกพระเจ้าติดตัวและตอนนี้อพึ่งตนพึ่งธรรมเพราะพระเจ้านะให้พึ่งพระองค์โยมสบายใจได้นะอะไม่มีเวลาเข้าวัดโยมก็มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานักข่าวก็ถามว่าเอเทคโนโลยีเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับคนมากพอสมควรนะอะทําให้เกิดความทุกข์ความฟุ้งซ่านจิบ ป, ป้าถะเลยแล้วตรงนี้มันจะเป็นยังไงไหม เราก็บอกอ่ะนี่ไงก็เทคโนโลยีสร้างความทุกข์เราก็เอาวิธีดับทุกข์ของผู้เจ้าใส่เข้าไปในเทคโนโลยีมันสร้างทุกข์ให้เราได้เร็วเราก็มีวิธีดับทุกข์เร็วนะทุกข์เกิดเร็วปุ๊บดับเร็วปั๊บเหมือนกันใช่ไหมอ่ามันก็ต้องมีวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ทันกิเลสมาเร็ววิธีดับทุกข์ไปเร็วเหมือนกันนะอ่านั้นเราก็พยายามทำนะอันนี้ในพระตาบิดกเนี่ย <c oughs> จะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นพุทธวจนะกับส่วนที่เป็นคำสาวกซึ่งมีปริมาณที่มากมักจะขึ้นต้นอยู่ในลักษณะคำพูดว่าบทว่าความว่าอธิบายว่าที่ชื่อว่าอย่างนี้ส่วนคำพูะเจ้าจะอยู่ในวลีคำพูดลักษณะอย่างนี้ดูก่อนพิสุลัยดูก่อนอนุนดูก่อนสารีบุตรดูก่อนขาดียดูก่อนช่างไม้ดูก่อนจอมเทพมีการพูดชื่อคนที่จะพูดด้วยก่อนและตาม้วยเนื้อหานะเอ่อ <c oughs> <c oughs> เราลองมาตรวจดูไหมว่าณนะวันนี้เรามีคำสอนที่ผิดๆอะไรอยู่บ้างหรือเกินจากที่ศาสดาบัญญัติอยู่บ้างใช่ไหมเพราะอะไรที่พู้เจ้าไม่เคยสอนไม่เคยพูดแสดงว่าไม่ใช่พระสัตธรรมไม่ใช่ความจริงใช่ไหมอ่าเพราะคนที่พูดได้ไม่ผิดถูกต้องมีพระพุทธเจ้าคนเดียวนะเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติของพูุ้ทธเจ้ากันนะ คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหนึ่งกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดนี่เป็นประเด็นว่าทําไมเราต้องมาสืบค้นหาคำพระสัสดาเพราะพระพุทธเจ้ามีความสามารถสูงมากไม่ว่าคุณจะเป็นพระอรหันต์ขนาดไหนก็ตามคุณไม่มีความสามารถระดับนี้มีคนเดียวคือหลานตัสมาสา ม, สามพุทธเจ้าพระอรหันต์ประเภทสัพพันยูคือพระพุทธเจ้ากําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้ไม่พลาดแม้แต่คําเดียวตัดกับอคิเวสนะ น, นี่อคีวีสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแท้ผู้เจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวคำเดียวก็พลาดไม่มีไม่ได้นะอย่างที่สอง พระองค์บอกว่านับตั้งแต่ราตรีที่องค์ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่พระองค์ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดท้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำพระเจ้าสอดรับกันหมดหนะ้าวันนี้โยมจะคุยธรรมะกับใครทีโยมต้องถามเธอสายไหนเห็นไหมว่ามันคุยกันไม่ลงตัวนะมันมีสายนี้อาจารย์นี้อาจารย์นั้นวัดนั้นวัด น, น, ดนี้ต่อไปจะไม่มีแล้ว เพราะว่าโยมเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้โดยตรงไม่ต้องไปพึ่งอาจารย์นั้นอาจารย์นี้นสายนั้นสายนีน้สายพระพุทธเจ้าองค์เดียวพุทธวจนะจบเลยศา ส, สดาพูดยังไงเอาอย่างนั้นใครสอนใครพูดไม่ตรงศาสดาคุณมีหน้าที่เปลี่ยนไม่ใช่ให้ผู้เจ้าเปลี่ยนหรือโยมจะลบบาลีสยามรัดทิง้งข้อมูล 2,100 ปีทิง้งซึ่งเกิดมาก่อนเรา 2,000 กว่าปีใช่ไหมอ่าเนั้นสาวกมีหน้าที่เดินตาม ความสามารถด้านการพูดของผู้เจ้าอย่างที่สคำของผู้เจ้าเป็นอาการิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาไม่ต้องกลัวว่าคำผู้เจ้าล้าสมัยแล้วยุคนี้ต้องอย่างนี้ยุคไอทีต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีอาการิโกเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าอาการิโกยังไงนะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างนะนี่รู้ความสามารถของผู้เจ้าก่อน3าอย่างนี้ไม่มีสาวกคนใดทาได้ไดนะ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 อย่าไปเรียนอย่าไปฟังนะคำสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่นี่ศาสดาตรัสเองไม่ใช่คำอาจารย์คลิกลิศนะอาตมาถึงต้องขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้พวกเราได้เห็นข้อมูลในบาลีสยามรัฐว่าศาสดาเราเนี่ยพูดไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วข้อมูลนี้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ยุคราชการที่5รหนึ่งทวาราวดีพระเจ้าโศกมหาราชเสาวินาโสนั่นแหละ ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติอักษรศาสตร์จุฬาตรวจได้นะเหมือนหลักศิลาจารึก ข, ของเราเนี่ยพันกว่าปีนะความเป็นมายังไงหลักฐานยังมีหมดน ะ, ะนั้นพระตถาคตบอกว่าอย่าฟังคำคนอื่นแล้วตกลงให้ฟังคำใครผู้เจ้าก็ตัดว่าส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละ ว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมงเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่จะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนะคำตถาคตให้เรียนให้ฟังคําคนอื่นอย่าศึกษานี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องมาหาเครื่องมือสแกนเพื่อค้นหาคำํำภาษาสดา ข, ของเราเองคําศาสดา ข, ของเราเองหาได้จากไหนณนะวันนี้ ราัชากาลที่5จัดเป็นการพิมพ์ครั้งแรกในโลกบาลีสยามรัตเล่ม น, นี้ภาษาบาลีนะ <c oughs> เป็นหนังสือครั้งแรกของโลกนะรอ5เอามาจากไหนเอามาจากราัชากาลที่1เก็บไว้ในใบาลานที่หอมบเทียนรมที่วัดพระแก้ว รอนหนึ่งคิดเองไหมไม่ได้คิดเองเอามาจากยุคล้านนาและยุคทวารวดีทวารวดีคิดเองไหมไม่ใช่เอามาจากพระเจ้าโสมหาราชพระเจ้าโสมหาราชคิดเองไหมไม่ใช่เอามาจากการที่พระหันทั้งหลายช่วยกันทรงจำำําคําศาสดา ข, ของเราหลังผู้เจ้าปรินิพานปับ๊บรีบสังฆทนาเลยทรงจําเพราะความรู้นั้นเดี๋ยวมันลืมเลือนไม่รู้ว่าใครจําอะไรที่ผู้เจ้าพูดได้บ้าง ขอมาประชุมกันซิขอประหาหันรวมแล้วได้ห0 0ช่วยกันพูดมาสิใครจำอะไรที่ผู้เจ้าพูดได้บ้างเพราะผู้เป็นสัพพัญยูนั้นปเรณีพานแล้วสิ้นชีวิตแล้วเหลือแต่พวกเรานี่แหละที่จะช่วยกันจำข้อมูลที่ผู้เจ้าเคยพูดหลุดออ ก, ออกจากปากไว้เนี่ยสืบทอดกันต่อไปเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้มีหนทางเข้าถึงความไม่ตาย พระสัตว์ทำคำสอนจะได้ตั้งมั่นต่อไประบบนี้จึงเรียกว่าการสังขยาคือการสวดขึ้นมาในคำพระสัสดา พ, พร้อมกันทั้งหมดนะเอาพระนนท์จำอะไรผู้เจ้าได้บ้างพูดมาซิแล้วทุกคนช่วยกันสวดทรงจาเอาไว้อุบาลีเก่งวินยัยจำอะไรที่ผู้เจ้าพูดด้านวินัยได้บ้างพูดขึ้นมาซิให้ทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วจำจำ จ, ำจำเอาไว้มุขปาฐถ่ายทอดทางปากพูดต่อพูดต่อพูดต่อ ศาสนาจเจริญด้วยการพูดต่อนะถ่ายทอดทางวาจาภิกษุต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปนี่คือความจเจริญศาสนาในข้อที่3ในข้อแรกพระศาสดาบอกบทพัฒนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องสร้างโปรแกรมสแกนพุทธวจนะออกมาให้ได้เป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องประเด็นสําคัญ นะและเอาไปสแกนไหนๆสแกนในหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลก <c oughs> นะ น, นั้นหลักฐานนี้ประเทศไทยถืออยู่เป็นปกติอยู่แล้วเป็นข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนเข้าไปค้นคว้าหาได้ดาวโหลดได้มีข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดนะในหนังสือก็มีในซีดีก็มีเราก็ทำเป็นซีดนะีโปรแกรมมาโปรแกรมแผ่นนี้ ปกติจะแจกให้พวกเราทุกคนวันนี้ไม่ได้เอามาแจกแต่ดาวน์โหลดได้ใน เ, เว็บไซต์ของวัดนาป่าพงโยมก็ดาวน์โหลดจาก เ, าเว็บมาเข้าแผ่นซีดีแต่วันนี้เอาซีดีดีวีดีกับหนังสือมาแจกให้พวกเรานะเป็นพุทธปจนะล้วนเหมือนกันทั้งหมดนะในโปรแกรมแผ่นนี้มีพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐภาษาบาลี45เล่มภาษาไทย45เล่ม นะมามืุ่ด91เล่มของมหาจุลา45เล่มและหนังสือทุกเล่มที่เราทำนะเล่มเล็กๆอย่างนี้เจาะเป็นเรื่องๆอนาปาแก้กรรมมักวิธีที่ง่ายดูจิตดูยังไง60กว่าพระสูตรรวมให้เสร็จนะแก้กรรมแก้ยังไงไม่มีหลอกไปนอนในโงรงผ้าขาวคุมน้ำลดตัวไม่มีมักมีองค์8เท่านั้นเป็นวิธีแก้กรรมใช่เพราะนั้นบอ่อน้าในเสถียรมีอาตมาบอกว่าโยม มาแก้กรรมกันเดินลงบ่อน้ำแล้วขึ้นมาเอามอกรรมจะหมดอา้าวอินเดียเขาเชื่อนะเขาพาเดินลงแม่น้าคงคากันนะใช่ไหมขึ้นมาบริสุทธิ์แล้วตกลงแล้วใครสอนแก้กรรมถูกต้องอะ่ะพระเจ้าพระองค์เดียวรู้วิธีตรงนี้นั้นเราจะรวมมาให้ทั้งหมดเนี่ยอยากสาธยายทำสาธยายยังไงปฏิจจะนะสวดมนต์กันถูกหรือเปล่าเช็คหรือยังว่าเป็นคาพระศาสดา วันนี้ใครมี Android ไปเช็คซะอ่าเข้าใจไหมทุกคนเช็คได้อยู่กับตัวแล้วตอนนี้อืมอง่ายขึ้นไหมแต่ก่อนเนี่ยโยมจะหาเรื่องอะไรทีโยมต้องไปเปิดหนังสือเล่มโตๆอย่างเนี้ยสี่ิห้าเล่มไหวไหโอ้โหกว่าจะเจอใช่ไหมวันก่อนไปบรรยายที่หนึ่งบอกอาจารย์ทำไมจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาบอกเอาไม่เอาเข้ามาก็ได้ ถ้าโยมจะหาว่าผู้เจ้าสอนอนาปานสติอ้ามามุงกันมีไหมนั่งเปิดไปเทียหน้าไม่เป็นไรนะเอาแบบย้อนยุคได้อาตมาก็ใช้อย่างนี้มาก่อนสิบกว่าปีที่แล้วไม่มีเหมือนกันนะอเราต้องรู้จักใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีในเมื่อมันได้ประโยชน์เอ๊ไม่ต้องนั่งเปิดนะี่ยคีย์คำก็ไปคําเดียววินาทีนึงออกมาแล้วนี่เราไม่ใช้เหรอใช่ไหม เราก็ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีไม่ใช่ไปปฏิเสธมันเสียหมดนะในวัดอาตมาอาตมาก็มีทั้งปฏิเสธเทคโนโลยีและก็รับเทคโนโลยีปฏิเสธไม่เอาไฟฟ้าเข้าวัดไฟฟ้าเข้าแค่ศาลาที่อยู่ของพระไม่มีไฟฟ้าจุดเทียนอยู่กันนะอยู่แบบธรรมชาติอยู่ในป่าป่าไม่มีปลูกป่ามันอยู่เลย10กว่าปีต้นไม้โต20บสสิเมตรและล่มลื่นนะ พระเดินเข้าไปก็ถือไฟฉายนะจุดเทียนเอามีคมเทียนเดินเข้าไปแต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับญาติโยมต้องประสานงานกันอา้าวเอาเทคโนโลยีเข้าไปนะพระที่ <c oughs> ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ใช้เทคโนโลยีนอกนั้นห้ามมีเทคโนโลยีพระห้ามมีโทรศัพท์วิทยุทีวีอะไรต่ออะไรมีไม่ได้ไม่ให้มีในวัดแต่พระที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการอ่า ประชาสัมพันธ์ในการเผยแผ่ธรรมะของพระศาสดามีไปมีเต็มที่นะรับผิดชอบไปเป็นกลุ่มคนบางกลุ่มแค่คนสองคนที่เหลือยี่ยี่สิบสาสิบไม่ต้องมีเดินจงกรมนั่งสมาธิไปมีหน้าที่ทำจิตให้หลุดพ้นให้ได้นะเราต้องรู้จักผสมผสานเพื่อนำตรงนี้มาตรวจสอบความถูกต้องเพราะความไม่ถูกต้องมันกาลังครอบงำสังคมอยู่ตอนนี้ เราก็เลยต้องทำความกระจ่างให้ศักยภาพกับชาวพุทธทุกคนจะมีศักยภาพในตัวเองสูงมากนะโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเวลาใครพูดอะไรไม่ตรงกันโยมทำยังไงเวลายมไปฟังคนนั้นคนนี้หรือพระองค์นั้นองค์นี้ที่โยมศรัทธาเกิดโยมศรัทธามากกว่าหนึ่งองค์แล้วสอ ง, องค์นั้นพูดไม่ตรงกันโยมจะทำยังไงอะไรจะเป็นเครื่องตรวจสอบพุธทธวจนะ เป็นเครื่องตรวจสอบผู้เจ้าให้เอาคําตถาคตเป็นที่ตรวจสอบผู้เจ้าบอกว่าฟังเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอย่าพึงรับว่าถูกนะหรืออย่าพึงไปค้านเขา <c oughs> กําหนดเนื้อความนั้นให้ดีจําให้ดีนะว่าเขาพูดอะไรแล้วเอามาตรวจสอบในพระสูตรเทียบเคียงในวินัยนี่เรียกหลักมหาประเทศ4ี่เห็นไหมผู้เจ้าวางหลักไว้แล้วรู้แล้วว่าความเสื่อมจะเป็นยังไงและจะต้องตรวจยังไง เผ อ, อรู้ว่าจะมีระบบปฏิบัติการแอนดรอยและมีจิ้มตรงนี้สแกนได้นะอเพราะฉะนั้นผู้เจ้าให้เอาไปสอบสวนในสูตรเทียบเคียงในวินยัยถ้าลงกันได้เทียบเคียงกันได้พึงแน่ใจว่านั่นเป็นคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วพิสุรูปนั้นเนี่ยจํามาอย่างดีแล้วจํามานะไม่ได้บัญญัติเองนะพิสุเนี่ยพวกเธอพึงรับเอาไว้ ถ้าลงกันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้พึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุรูปนั้นจำมาผิดพวกเธอพึงละทิ้งคำเหล่านั้นเสียเธอทั้งหลายพึงจำมาหาประเทศทั้งสี่นี้ไว้ข้อมูลจากนี้พระธรรมดดนี้เห็นนะเทคโนโลยีใหม่แต่เนื้อในเก่าสองพันกว่าปีนะโยมต้องผสมกันอย่างนี้และอาตมาก็ <c oughs> ให้ทีมงานช่วยกันทำตรงนี้ขึ้นมาหนังสือพุทธวจนะครั้งแรกในโลกอีกเหมือนกันไม่เคยมีใครทำหรือรวบรวมคำพระศ า, ศาสดาออกมาได้สำเร็จทั้งหมดนะท่านพุทธทาเคยทำมาแล้วสุดยอดเลยท่านพุทธทานทำมาได้ห้าเล่มยี่บสองปีเนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์เห็นนะตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์สองสาปีเสร็จหมดแล้วได้อย่างนี้สาสามเล่มครบถ้วนคณะพระคณะญาติโยมช่วยกันทานะ แล้วในนี้จะมีอาตมาให้ใส่ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยไว้บาลีหน้าไทยหน้าบาลีหน้าไทยหน้าทุกหน้ายมตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีนะบาลีทรงจํามาเป๊ะมากเราไม่เคยเจอข้อผิดในบาลีเจอข้อผิดแต่ในภาษาไทยนะโยมไม่ต้องไปวิ่งหาบาลีนะเดิมมีแต่ภาษาไทยเวลาโยมจะ นั่งเทียบเคียงยมต้องไปวิ่งหาบาลีซึ่งไม่มีใครในประเทศถ่ายพิมพ์แล้วตอนนี้หนังสือบาลีอย่างนี้ไม่มีนะก็เพื่อประโยชน์ต่อพระศาสนานะหน่วยงานของรัฐเอกชนใครเห็นประโยชน์เอาไปใช้เพราะนี่คือความตั้งมั่นแห่งพระศัทธรรมบทพันชนะพระศาสดาที่พระเจ้าตรัสกับพระ น, น์ไม่ใช่วัดเยอะพระเยอะไม่เกี่ยว บทเพิจารมีอยู่ไหมในโลกนะพุทธเจ้าบอกอานอนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีอานอนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีดแล้วจกเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปห่งเรานะนี่แหละคือตัวพระพุทธเจ้าธรรมวินยัย อันเบิร์ตไอสไตน์อ h คิมีเดสนะพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ล้มหายตายจากไปแล้วโยมก็ไม่เห็นหน้าเขาไม่เคยมีใครเห็นไอสไตน์ใช่ไหมอะคิมีเดสไม่เคยแต่โยมรู้ได้ไง่ายเขามีจริงเพราะโยมตรวจสอบทฤษฎีเขาสิ่งที่เขาหลงเหลืออยู่ไว้ให้คืออะไรนะผลงานของเขานั่นเองนะผลงานของผู้เจ้าคือธรรมะที่พูดออกจากปาก พระองค์บอกพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตปากตถาคตพูดคำพูดออกมาเรียกศาสนาสานังหรืออนุศาสนีปฏิหารคำพูดที่ประกอบด้วยปฏิหารซึ่งเมื่อบุคคลฟังแล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอริยบุคคลได้นี่คือความเลิ่ของคำพระตถาคตไม่ใช่ว่าโยมไปมีอิทธิปฏิหารได้ เห็นนรกสวรรค์ดูจ so ิตคนนั้นคนนี้ได้คิดอย่างนั้นอย่างนี้เทวดาคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้นั่นไม่ใช่ธรรมะที่พระศาสดามุ่งที่จะสอนคนที่ทำเรื่องเหล่านี้ปฏิหารต่างๆเหล่านี้ได้ก็ตายอยู่ดีตายเรียบหมดเทวดาพรมมีอิทธิปฏิหารกำหนดรู้จิตคนได้เหาะเหินเดินอากาศได้เหาะมานั่งฟังทำพระศาสดาทาอะไรใช่ไหม อ่าก็เพราะว่าเขายังต้องตายกันทั้งหมดและเมื่อเทวดาหรือพรหมทากาละแล้วพระตถาคตบอกว่าเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัเนาชาญหรือเปรดวิสัยเห็นไหมเพราะการที่เขาพ้นนรกไม่ได้ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายในสังสารสนี้เองทำให้เขาเห็นความสำคัญในคาพระศาสด า, าทันทีเพราะนั้น นี่ไม่ใช่บทพันชนะธรรมดานะนี่เป็นบทพันชนะที่จะทำให้เราเข้าถึงความไม่ตายได้แต่ต้องรู้เยอะขนาดนี้ไหมไม่จำเป็นพระศาสดาบอกว่าคาเมนิเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาเก็บตายได้แล้วหรืออาณาปานสิจิตรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพอแล้วแค่นี้เดี๋ยวจิตเดินไปเองขอให้โยมตั้งต้นถูก กับคำพระพุทธเจ้ากับบทภัสีนัทที่ถูกต้องโยมจะได้อมตาธรรมคือความไม่ตายน ะ, ะมีอะไรที่เราควรจะรู้อีกเครื่องวัดความก้าวหน้าบางทีมีเครื่องวัดความก้าวหน้ากันผิดๆหลายคนมาบอกว่านั่งสมาธิมาต้องนานหปีสิปีไม่เห็นก้าวหน้าเลยทำยังไงดี บอกโยมโยมรู้ได้ยังไงว่าตัวโยมไม่ก้าวหน้าอาตมาก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าดิฉันนั่งแล้วมันจิตมันฟุ้งตลอดเลยมันไม่อยู่นิ่งบุคคลนี้ใช้เครื่องวัดความก้าวหน้าผิดนะพระศาสดาให้ใช้ความเร็วในการละอารมณ์นั้นแล้วกลับมาอยู่กับกายเนี่ยเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าโยมทิ้งอารมณ์นั้นได้เร็วขนาดไหนเร็วกว่าเดิมไหมเร็วกว่าเดิมก้าวหน้าแล้ว และเป้าหมายเร็วขนาดไหนที่พระศาสดาต้องการให้คือกระพริบตาเดียวนะหรือเปรียบเหมือนหยดน้ำหยดในกระทะร้อนๆหรือเปรียบเหมือนบุรุษดิดนิ้วปับ๊บนะพอใจไม่พอใจต้องดับไปไปดูพระสูตรนี้อนณนอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสูจน์นั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบคายังคงเหลืออยู่อานอนท์น้แลเราเรียกว่าอินทร์พานาชั้นเลิศในอริวิ น, นัยเห็นนะทุกอย่างพระจะสอนอะไรไปต้องมีคำศาสดารองรับกำกับนะโยอมอาจจะไม่ทราบว่าที่อาตมาพูดไปเนี่ยมันเป็นคำพูะเจ้าโยอมอาจจะคิดว่าเอ้ยพระคฤิสตพูดเองอาตมาเลยต้องขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้โยมแล้วก็อ่านให้ดูทุก ค, คาว่า เราพระเรามีหน้าที่ทรงจําคําพระพุทธเจ้าแล้วถ่ายทอดเฉพาะคําพระตถาคตออกไปอย่าพูดเองแต่อัตมาก็อาจจะไม่มีการทรงจําที่ดีเลิศเสียทั้งหมดนะไม่ได้จําได้ทุกพระสูตรทั้งหมดนี้อาจจะมีการพูดพลาดบ้างผิดบ้างถ้าพูดพลาดพูดผิดให้ถือคําพระเจ้าเป็นหลักอย่าถือคําอัตมาคําสอนสาวกไม่มีนะมีแต่คําสอนพระตถาคตเท่านั้นนะสาวกทั้งหลายมีหน้าที่ทรงจํา เอาไปปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าบอกไว้แล้วเวลาถ่ายทอดให้ถ่ายทอดคำตถาคตออกไปหลักการแค่นี้ถ้าเราพุทธบริษัททุกคนทำเหมือนกันทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาศา ส, สนาตั้งมั่นไม่มีเสื่อมแน่นอน <c oughs> ที่เคยได้ยินมาว่า 5,000 ปีอายุศาสนานั่นก็ไม่ใช่พุทธวจนะผู้เจ้าไม่เคยตรัดเรื่อง 5,000 ปีนะ <c oughs> เคยได้ยินคาว่าคณิกะสมาธิอุปจาระปณาสมาธิมะ เคยได้ยินไปสแกนดูไหมผู้เจ้าเคยพูดไวไห ม, ม, มเราก็สแกนคำว่าคณิกาสมาธิกดค้นหาไม่พบคำว่าคณิกะสมาธิในพระตรปิฎกภาษาไทยฉบับบาลีสยามลัทเห็นไหมที่ยอมรู้มาผิดอีกแล้วต้องล้างสมองใหม่อีกแล้วเห็นไหมอาตมาก็เคยศึกษาตรงนี้มาและอาตมาก็ต้องล้างสมองตัวเองใหม่ไม่เอาผิดอีกแล้วนะ พอเรามารู้หลักการที่ผู้เจ้าตัดไว้โอ้โหข้อมูลผิดในหัวบาลเลยนะเพราะนั้นเพื่อความพ้นทุกอย่างแท้จริงต้องก o อปปี้คำพูเจ้าต้องมาศึกษาคำพูเจ้าโยมหยิบโลโก้อาจารย์ตัวเองออกแล้วเอาพระาศาสดาไปตั้งไว้แทนจบคนเดียวนะไม่มีอาจารย์ไหนทั้งนั้นมีแต่เจ้าชายศิริธาองเดียวนะลองไปดูอุปจารสมาธิม อุปจาระสมาธิกดค้นหาไม่พบคำว่าอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิล่ะอัปปนาสมาธิไม่พบคำว่าปัญนาสมาธิน่ะพเจ้าไม่เคยสอนสมาธิสามคำนี้เลยทั้งชีวิตเห็นนะนั้นอะไรที่ ผู้เจ้าไม่เคยพูดไม่เคยสอนไม่เคยบอกถึงแม้จะมีการสอนในยุค ป, ปัจจุบันก็ตามโยมเอาออกไปก่อนเพราะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระตถาคตแต่ผู้เจ้าตัดสมาธิมีกี่คำกี่ชื่อก้าวชื่อปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจา ย, ยตนะวิญญาณัญจา ย, ยตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณนาะสัญญาจตนะสัญญาเวทิตนิโรธเคยได้ยินไห ไม่เคยแต่ครั น, นี้ก่วิจารณนาคเคยใช่ไหมเห็นไหมโยมเริ่มคุ้นเคยคําที่ถูกแต่งขึ้นใหม่เห็นนะแต่คําพระศาสด า, า, าโยอมจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นหูเอ๊ะคำอะไรแปลกประหลาดนะจำยากรูก้ยา ก, กเพราะเราจําไอ้นี่มาก่อนนะสิถ้าเราจำไม่นี่แต่แรกมันก็ไม่ยากใช่ไหม <c oughs> ผู้เจ้าจึงบอกว่าคําที่คนแต่งขึ้นใหม่หรือคําของสาวกที่ปรุงแต่งเองขึ้นใหม่เนี่ย เปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนี่คือความอันตรธานของคำตถาคตเมื่อทำอย่างนี้ไปเลื่อยเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปไปดูพระสูตรนี้ภ <c oughs> ิกษุ์ทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วนะก่อนพระสูตรเนี่ยก่อนตัดตรงนี้ผู้เจ้าบอกในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีพิสูจน์เนี่ยไม่สนใจคาตถาคตตัวพระเองเนี่ยจะไม่สนใจคาพระพรุทธเจา้า และก็เลยยกอุประมาณนี้ขึ้นมากลองศึกของกษัตริย์พวกทัศราหะชื่อเรียกว่าอนากะนั้นมีอยู่เมื่อกลองอนากะนี้มีแผลแตกหรือลิ้กพวกกษัตริย์ทัศราหะได้หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเมื่อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้น พิสูจทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นลู ก, กุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เห็นนะฮาตามายกให้เห็นเลยว่าโยมรู้จักคําว่าคณิก่าวิจารณปนาแต่โยมไม่รู้จักฌานหนึ่งสองสามสถึงสัญญาเวทิตนิโรธซึ่งเป็นชื่อสมาธิที่ถูกต้องมีบทบัญญัติที่ถูกต้องว่าคุณสมบัติอย่างไรอาการอย่างไรโยมดูได้เลยว่า อาจารย์สิบคนพูดคณิกาพระจาลปนาให้นิยามคำพูดไม่เหมือนกันเพราะพระพุทธเจา้าไม่เคยบัญญัติแต่พระพุทธเจา้าจะพูดสมาธิทุกขั้นตอนจะพูดกี่ครั้งกี่สิกี่ร้อยครั้งบทเพิเศเหมือนกันเป๊ะทุกตัวอักษรไม่ว่าจะพูดห่างกันหปีสิบปีกับบุคคลใดสถานที่ใดก็ตามนี่คือความเลื่ของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มีพลาดทุกถ้อยคำ นี่คือความต่างชั้นกันระหว่างพระราหาันทั่วไปกับพระพุทธเจ้าไกลกันมากนะเสมอกันที่วิมุตก็จริงแต่ภูมิปัญญาความรู้ในทางโลกนั้นคนละชั้นกันเลยเทียบกันไม่ได้พระาศาสดาอรันตัส ม, มาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นพระราหันประเภทสับพันอยู่รู้ทุกเรื่องไม่งั้นพระราหาันทั้งหลายบรรลุธรรมแล้วจะมาเคารพ สักการะนับถือบูชาพระตถาคตอยู่ทำอะไรต่างคนต่างก็ออกไปอิสระของตัวเองสิแต่ยังต้องการอยู่กับพระตถาคตเพราะต้องการรู้ธรรมะมรรควิธีที่ปราณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกตามลําดับซึ่งพระอหันต์ไม่คล่องแคล่วพระตถาคตจึงตัดว่าอะไรเป็นความผิดแปลกแตกต่างการระหว่างตถาคตผู้หลันตสมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติให้เธอ ปัญญาวิมุติด้วยคือหลุดพ้นด้วยปัญญาเป็นพระอรหันต์นะตะถาคตเป็นมรคัญยูรู้มร ก, ก่อนเป็นมัคควิทูรู้แจ้งในมรคเป็นมรคคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรคานุขาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นแค่เดินตามเห็นไหมเรื่องเหล่าเนี้เราไม่เคยทราบเรานับถือศาสนาพุทธตามทะเบียนบ้านมาเนี่ยกี่ปีแล้ว แต่เราไม่เคยทราบความขีดความสามารถอันสูงส่งของศาสดาเราและขีดจำกัดของความเป็นสาวกแม้แต่จะเป็นพระหลานก็ตามว่าทำได้แค่ไหนเมื่อไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้จึงทำให้พุทธบริษัทเนี่ยเข้าใจสับสนไปคิดว่าคำของสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่เนี่ยดีเสมอคำพระพุทธเจา้าแล้วพากันไปมุ่งศึกษาคาสาวกมากกว่าคาพระพุทธเจา้า อตาตมาจึงขอพลิกประวัติศาสตร์ใหม่นะว่าขอให้กลับไปสู่พุทธประสงค์ของพระาศาสดาที่ต้องการใหพร้พระองค์ต้องการให้เราศึกษาคำของพระองค์เท่านั้นอย่าศึกษาคำคนอื่นอตาตมาถึงต้องขึ้นจอโปรเจกเตอร์ตลอดเวลาว่าบทพันชนาเหล่านี้ที่อตาตมามีความเห็นมาไม่ใช่ความเห็นอตาตมาแม้แต่คําเดียวเป็นพุทธวจนะทั้งสิน้นนะ และอาตมาต้องก๊อบปี้คําพูดไม่ตกหล่นทุกคํานะโค้ดคําพูดอาตมาไปตําหนิไม่ได้เพราะว่าอาตมาก๊อบปีค้คําพระุทธเจ้านะโยมตําหนิก็ตําหนิพระพุทธเจ้าตําหนิไม่ลงนะเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีคนต่อต้านได้ไหมไม่ได้เลยถ้าคุณกลับไปนั่งคิดอีกสิตลบคุณก็กําลังต่อต้านศาสนาคุณเองเอาสรุปแล้วคุณกลับไหวพระพุทธเจ้าทําอะไรใช่ไหมอ่าแต่เนื่องจากอ่า ความผิดเพี้ยนเนี่ยมันมีไหลกันมายาวนานและผู้ปกครองประเทศไม่ได้ส่งเสริมศาสนาอย่างถูกต้องมานานแล้วใช่ไหเราสร้างแต่วัดวัาอารามเต็มไปหมดเลยโยมเราไม่เคยสร้างโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์หนังสือศาสดาออกเผยแพร่ซึ่งจริงๆชาวพุทธทุกคนต้องมีคาศาสดาอยู่กับตัวอยู่กับบ้านใช่ไหหน่วยงานรัฐไม่ทา อาตมาทำให้ดาวโหลดกันฟรีปึง้งลงไปใช่ไหมอ่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกคนสบายละอย่างนี้อ่า <c oughs> เราไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องในศาสนาพุทธมานานมากหลายร้อยปีเพราะนั้นการถ่ายทอดที่ผิดเพี้ยนไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเมื่อไม่มีการตรวจสอบ ณวันหนึ่งเมื่อมีการตรวจสอบปับ๊บอ้าวไอ้นุไม่ตรงกับพระเจ้าอันนี้ไม่ตรงกับพระเจ้าโอ้เลยเป็นเรื่องในสังคมขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรผิดเกิดได้ถูกก็เกิดได้พูะเจ้าบอกว่าถ้าคำพระศัสดาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์คำของคนอื่นจะเปรียบเหมือนแสงหิ่งห้อยหิ่งห้อยจะอับแสงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น โอ้โหผู้เจ้าอุปมาสุดยอดจริงๆอาตมาชอบคํานี้มากนะคําคนอื่นหมดราคาไปเลยโยมอาตมาเคยอ่านหนังสืออื่นในโอ้แต่ก่อนสมัยก่อนที่ยังไม่เจอผูท้ทวจนะชอบมากอาจารย์คนนี้สุดยอดนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดพิมพ์หนังสือทําซีดีก็แจกแต่ ค, คําครูบาอาจารย์แต่พอมาเจอคํำผู้เจ้าโอ้ผู้เจ้าสุดยอดกว่านะ เราจะแจกข้อมูลที่คาดเคลื่อนทําไมเราต้องแจกข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดก็เลยทําแต่หนังสือพระพุทธเจา้านะหนังสือทุกเล่มที่จะ ม, มาทํามาเนี่เป็นพุท ธ, ธวจนะทั้งหมดและเราจะต้องไม่มีผลงานตัวเองผลงานตัวเองมีไม่ได้เราเคยทําวิทยา น, นิพนธ์ต้องมีผลงานตัวเองเคยทําอะไรต่ออะไรวนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นั่นมันทางโลกทางโลกเนี่ยลูกศิษย์อาจเก่งกว่าอาจารย์ได้ วิเคราะห์วิจัยมาเจอไอ้นน์ไอ้นี่ใหม่เรื่องใหม่ๆแปลกประหลาดพิสดารเยอะแยะแต่ในพุทธศาสนาไม่มีใครเก่งกว่าพู้เจ้าแล้วต้องไปเกิดตายอีกหลายอสงไขนะหลายแสนกับกว่าจะได้เก่งเท่าพู้เจ้าเพราะนานๆทีจะมีมหาบุรุษเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ลงรายละเอียดกันมาก่อนนะเพราะนั้น ตำราหรือคาพีทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องจะต้องเป็นพุทธทวจนะเท่านั้นนะต่างจากเรื่องทางโลกอย่างสิ้นเชิงเลยโยมแต่งใหม่ไม่ได้พูดใหม่ไม่ได้พูดใหม่พัวเริ่มผิดทันทีเลยใช่ไหมเป็นเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทันทีเลยเนี่ยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอาจาอาจะอตมาจะต้องมานั่งทาให้เรื่องพวกนี้นะอาตมาบวชมาเนี่ยใน สายปฏิบัติเนี่ยอาตมาก็อยากปฏิบัติอย่างเดียวถูกสอนมาบอกว่าอย่าไปศึกษาปฏิบัติเลยฟังครูบาอาจารย์แล้วทําไปนะเราก็ทําอย่างนั้นมาตลอดสิกว่าปีนะทำไปทํามาว่างว่าง ว, างวางันดีคืนดีเอ๊ะนั่งหยิบหนังสือท่านผู้ทา่านขึ้นมามีคนแนะนําพอดีจากพระโอษฐ์เราก็มานั่งอ่านโอ้คำผู้เจ้าทั้งนั้นเลยนี่ท่านผู้ทา่ทาธรรมก่อนห้าเล่มเป็นด้านอริสัต4โดยตรง นะอ ร, ร อ, อริยสัจจ์พระโอษ์ภาคต้นภาคปลายปฏิจจสุบัทิจ์พระโอดคุ้มทรัพย์จักพระโอษ์ว่าก่าลตักเตือนสั่งสอนพระสูตโดยตรงแล้วก็พุทธประวัติจักพระโอษฐ์ประวัติที่พระพุทธเจ้าเล่าเองจักรปาฏนะอาตมาเลยศึกษาแต่ห้าเล่มนี้มาตลอด10กว่าปีไม่แตะอย่างอื่นเลยโยมไม่มีความอยากที่จะไปแตะหนังสือธรรมะเล่มอื่นเลยหมดราคาไป ท, ทันทีเป็นแสงหิ่งห้อยไปเลยอันนี้คือสุดยอด และไม่ใช่ผลงานประพันธ์ท่านผู้ท่านนะเข้าใจใหม่นะเป็นผลงานแปลแบาลีออกมาเป็นภาษาไทยตัวต่อตัวคำต่อคำตรงตร ง, ตรงไม่ผิดเพี้ยนนะดีมากยมไปหาซะห้าเล่มนี้นะเล่มละสองสร้อยเองถูกกว่าพ็อกเก็ตบุ๊กอีกนะนี่เราก็กำลังทำเล่มนี้ กำลังพิมพ์สาเล่มค่อยๆทำไปเรื่อยๆข้อมูลกำลังทยอยเสร็จมาเรื่อยๆข้อมูลภาษาไทยเสร็จแล้วเหลือเทียบเคียงบาลีอันนี้ถ้าพิมพ์ครั้งหนึ่งก็2 0 0พเล่ม400รเองนะถูกกับพ็อกเก็ตบุ๊กเหมือนกันน ะ, ะเพราะนั้นถ้าเราพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ญาติโยมได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแต่ถ้าหูหมูง่ายๆตอนนี้เอาแผ่นซีดีไปก่อนนะประโยชน์สูงประหยัดสุด นะหรือโหลดเอาจากเว็บได้นะข้อมูลทั้งหมดเหมือนกันนะและมีโปรแกรมสแกนให้ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมานั่งบอกสอนพวกเราเรื่องพุทธวจนะมาเคลียให้เข้าใจจากนั้นโยมจะหยิบจับหนังสืออะไรโยมก็จะหยิบจับแต่พุทธวจนะละคำพระพุทธเจ้ายากเป็นยากต้องสู้กัน นะใช่ไหมไม่ต้องกลัวเรื่องยากความจริงอยู่ตรงไหนโยมต้องเอาตรงนั้นถ้าง่ายแล้วมันผิดก็อย่าไปเสพนะโยมต้องเสพของถูกต้องก่อนยากง่ายว่ากันทีหลังเล่มที่ง่ายอาตมาทาให้ไวให้แล้วสามเล่มนี้ง่ายตามรอยทรก้าวย่างอย่างพุธธทธะปฐมธรรมอันนี้สำหรับผู้ใหม่ง่ายๆ นะต้องการปฏิบัติแบบง่ายๆพระพุทธเจ้าตัดไว้เองมักวิธีที่ง่ายนั้นภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องคือพุทธวจนะมีทั้งง่ายและยากปะปนอยู่ในนั้นอยู่ที่เราเนี่ยแค่ออกมาได้หรือเปล่านะเราสกรีนมาให้แล้วมักวิธีที่ง่ายต้องการเจริญอาณาปานสติมีให้3 2มระสสูตรครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ต้องวิ่งหาอะไรอีกแล้วแค่นี้นะ ผู้เจ้าสอนวิธีแก้กรรมไหมสอนบอกให้เสร็จออกหนังสือแก้กรรมสู้กับเขาบ้างเห็นเขาออกกันเยอะและเกินอันนี้แก้กรรมโดยพระตถาคตนะไม่ใช่โดยอาจารย์คือคลิตอยากเป็นโสดาบันไหมมีให้แล้วคู่มือโสดาบันคุณธรรมของความเป็นโสดาบันสีกว่านัยะเอาไปตรวจตัวเองได้ ใครมีคุณสมบัติตามนี้ผู้เจ้าบอกว่าถ้าหวังจะพยากรก็ให้พยากรตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโซดาบันแล้วไม่ต้องให้ใครพยากร <c oughs> ไม่มีใครพยากรยมได้ผู้พยากรได้ในโลกธาตุมีคนเดียวคืออรันตสัมมาสามพุทธเจ้ายมจำข้อ น, นี้ไวด้ดีๆไม่เคยมีใครในครั้งวุตการกล้าพยากรอริบุคคนให้ใครพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้พยากรกันเต็มเลย อย่าไปหลงเชื่อเดี๋ยวจะหลงผิดตามเขาไปนะโปรดพยากรตนเองนะมือถือมีอยู่แล้วช่วยพยากรกันหน่อยหรือเอาเล่มนี้ไปก็ได้นะสินห้าบริบูรณ์ตรวจเองสิไม่ต้องไปนั่งให้ใครดูเรากินข้าวอิ่มเนี่ยต้องไปถามเธอฉันอิ่มหรือยังบ้าสิไม่รู้ไงอิ่มแล้วใช่ไหมเออมันบ้าหรือมันดีมันถามฉันอิ่มหรือยังนะ รู้ตัวเองโยมต้องรู้ตัวเองเข้าใจไหมคุณเนี่ยให้หลักไว้แล้วเพื่อตรวจตนเองโยมศิลห้าบริบูรณ์สองไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยมีสองคุณธรรมนี้ผู้เจ้าบอกสารีบุตรให้คารวาสผู้นั้นพยากรตนและตนนั้นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วแค่นั้นเองหรือตามกว่านั้นอีกเรียกว่าสัทธานุสารีเป็นโสดาปฏิมักคุณสมบัติอย่างไรมี ความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงแค่นี้เองเห็นนะกระชับสั้นง่ายตรงโยมเห็นอะไรไม่เที่ยงก็เห็นไปเถอะแต่ถ้าโยมมาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจกายจิตอารมณ์ของโยมเนี่ยไม่เที่ยงนั่นนายโยมกำลงเป็นโสตบันเข้าใจไหมหรือโสตาปัจยังคสีองค์คุณของความเป็นโสตบันสี่ประการ เลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัญหาไม่ถูกครอบงาด้วยทิฏฐิมีสี่อย่างนี้ผู้เจ้าบอกให้พยากรตัวเองได้เลยว่าเป็นโสดาบันแล้วอีกเช่นกันเลื่อมสายอันไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร <c oughs> ยังวิ่งดูหมอกันอยู่ไหมนี่ หรือเขาบอกอีกสามเดือนนี่เธอจะมีคลอเนี่ยไปสะดอกค้อกันไหมแต่ถ้าโยมบอกโอ้ของดิฉันสะดอกค้อถูกค่ะนั่งรู้ลมหายใจโอ้โหเยี่ยมมากเลยถ้าอย่างเงี้ยนะปฏิบัติมักมีองศาแต่ถ้าบอกไปเส้นไหวบวงสวงแก้บนอะไรนี่ก็ไปคนละเรื่องละนี่เรียกว่าหวั่นไหว เมื่อวันไหวก็จะไปกระทําซึ่งวัตโกตูละมงคลมงคลภายนอกของสมาพามเหล่าอื่นโดยความเป็นสาระเห็นน ะ, ะแต่โยมก็อย่าพึ่งไปตำหนิคนที่ยังพึ่งลุกคเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ภูเขาต้นไม้แม่น้ำลำทานคนกลุ่มนี้พระตถาคตบอกว่าจัดเป็นผู้มีสัมมาทิฐิเบื้องตน้น ความเห็นถูกต้องเบื้องต้นคนกลุ่มนี้ถึงแม้จะพึ่งผิดแต่จิตของเขาเนี่ยสแสวงหาที่พึ่งและเขาจะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีคนกลุ่มนี้จะทํากุศลมากกว่าอากุศลชื่อว่าเป็นผู้ถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์เห็นนะอืมนั้นพอยมรู้ละเอียดอย่างเนี้ยเราก็ไม่ไปดูถูกเขา แต่เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องอัปเกรดเข้าขึ้นมาให้สูงขึ้นอีกนิดหนึง่งเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมมีสมาธิฐิเบื้องปลายคือกลุ่มบุคคลผู้มีสมาธิฏฐิเบื้องปลายคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วอย่างนี้เป็นอริยบุคคลไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจดชาติจะได้เป็นพระละหัน์ นะั่นประนั้นโยมชาตินี้โยมต้องได้ให้ได้เพราะถ้าไม่ได้โสดา บ, บันไม่มีอะไรประกันว่าโยมจะไม่ไปเกิดเป็นสุนัขแมวหมูหมากาไก่ไม่มีอะไรประกันได้เลยคติที่ไปของผู้ที่ต่ากว่าโสดา บ, บันนั้นพระตถาคตเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการโยนไม้ขึ้นไปในอากาศฟบ บางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาอะไรลงท่อนกลางปังอันนี้จังนะจิตสุดท้ายของโยมเกาะอะไรอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นงานกล่อยหมอืมนะเกิดกำลังโกรธอยู่พอดีก่อนตายตายไปพอดีโอ้โหแย่เลยใช่ไหม และเมื่อโยมลงแล้วเนี่ยโอกาสขึ้นเนี่ยนานขึ้นได้เหมือนกันแต่นานนานขนาดไหนพระศาสดาอุปมาว่าถ้าเธอไปอยู่ในนรกเตมเนชฉานเปรตวิสัยอบายทุกติวิิบาตพวกเนี้ยกว่าเธอจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกได้เนี่ยนะเปรียบเหมือนมหาปตพีนี้มีน้ำท่วมถึงกันทั้งหมดโลกใบนี้ทั้งใบอะโยมน้ำท่วมทั้งโลก มีบุรุษคนหนึ่งย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระตถาคตบอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดด้วยนะเต่าตาบอดเองนะร้อยปีเองนะโผล่มาหายใจทีหนึ่งนะจะเจอแอกไม้ไผ่นี้ แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวยากมหมยากสาวกทุกคนตอบยากเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครตอบง่ายเลยเพราะว่าน้าท่วมเท่ามาหาปัตตพีนี้นะยากมากพูุทธเจ้าบอกนี่แหละความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ความยากในการที่จะเกิดเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความยากในการที่จะาศาสนาจะแผ่ไปสารไปทั่วโลกยากมาก เราต้องช่วยการศึกษาพุทธวจนะต้องฟื้นฟูตรงนี้โยมศา ส, สนาถึงจะแผ่ภัศาลไปได้สายต่างๆจะหมดไปเหลือสายเดียวคือยิงตรงพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่มีอาจารย์คนไหนอาจารย์ทั้งหลายแค่คนเดินตามก๊อปปี้คำพุทธเจ้ามาพูดนะวันนั้นประสูตรนี้พุทเจ้าจะเตือนพระว่าหน้าบัดนี้เธอก็ได้ความเป็นมนุษย์แล้วคําสอนตถาคตก็มีอยู่แล้ว ให้เธอพึงกระทําโยคกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขดังนี้เถิดนะเพราะนั้นอย่าประมาทอริ ส, สัตถีต้องรู้ก่อนอันดับแรกนะต้องรู้ก่อนเลยชีวิตเกิดมาโยมต้องรู้อริสัตถีก่อนอย่างอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะ ความเร็วในการที่ต้องรู้อริยสัจสี่ถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าโยมโยมจะทำยังไงอืมถ้าไฟไหม้ผมอะเสื้อผ้าถอดได้ถ้าไฟไหม้ผมอะทำยังไงทำยังไงเนาะรีบดับใช่ไหมอ่าพรเจ้าก็บอกเหมือนกันนะสาวกพูะเจ้าถามสาวกสาวกบอกต้องรีบดับไฟนะจะดับยังไงก็ต้องต้องรีบดับ ผูเจ้าบอกอย่าเพิ่งรีบดับมารู้อเยสัตย์ก่อนไหวไหม <laughs> ไอจะเชื่อผู้เจ้าหรือไม่เชื่อดีนะชักลังเลแล้วหวั่นไหวหวั่นไหวเห็น <laughs> นะอย่าหวั่นไหวการรู้อริยสัตย์ก่อนทําให้โยมไม่ต้องไปอบายแต่ถ้าโยมไปมัวดับไฟโยมอาจไปอบายได้ใช่ไหมเกิดทุกขเวทนาไม่รีบรู้อริยสัตย์เห็นนะอ่ะ เปรียบทั้งอุปมาและเหมือนจริงเลยจริงก็เป็นอย่างนั้นอุปมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนั้นอย่ารอช้านะวันนี้นั่งสมาธิซะได้นั่งกันหรือยังวันนี้นั่งแล้วอ่าโชคดีโช ค, ด, โชคดีไปน ะ, ะจิตนิ่งแล้วทําอย่างไรเห็นเกิดดับนะทำสองอย่างสมถะกับวิปัสสนาคือทำสองอย่างที่เธอพึงกระทํา เห็นนะผู้เจ้าจบอกว่าวินยูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดีสีสาก็ดีที่ไฟกำลังลุกโผลงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่งก็คือฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามโซลฮีความขมคมเขม่นหรือความเพียรอย่างแรงกล้าเนี่ยอปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะ เพื่อรู้เฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสี่ที่ตนยังไม่รู้เฉพาะนี่เร่งด่วนด่วนจีเลย <c oughs> อ่ามีคำถามไหมคิดว่าได้ความรู้กันไปมากพอสมควรละเอาตัวรอดได้ล ะ, อ, ะอยู่ที่ความเพียรของเราเวลาตั้งจิตอธิษฐานเนี่ย ผู้เจ้าให้ตั้งจิตในเรื่องของความเพียรด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็น ắng, N, กระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเกิดแห้งไปก็าตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีเราจะไม่หยุดความเพียรเด็ดขาดยากเป็นยากคํำผู้เจ้าเอายังไงเอากันข้อมูลจริงอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหม เราเรียนกว่าจะจบปริญญาตรีโทเอกกันมาเนะ่ะเสียเวลาเป็นสิบปีโยมทุ่มให้กับพู้เจ้าสักชีวิตหนึ่งอ่าและโยมจะเห็นว่าคุ้มค่าที่สุดน ะ, อ, <c oughs> นะอันนี้หนังเอ็นกระดูกจกเลืออยู่เนื้อเลือเล่อนในสิริละนะ บทพป็นนะอาจจะผิดเพี้ยนกันไปบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องของสำนวนนะอันนี้เป็นอีกสำนวนหนึ่งตรงสำนวนตรงเนี้ยอาตมาจะแก้ให้เขาเป็นหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่อันนี้ใช้คำว่าจงเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกเท่านั้นมันโหดล้ายไปนิดหนึ่งก็ใช้สำนวนของเขานี่แหละของเขาเองเขาก็แปลหลายสำนวนไงในจากพระโอษฐ์แล้วก็สำนวนที่ดีที่สุดที่ เหมาะสมกับความจริงมากที่สุดมามาใช้นะมีคำถามไมมใครสงสัยอะไรบ้างเชิญถามได้นะ เวลาไม่มีคำถามเนี่ยเขาประเมินได้สองอย่างนะหนึ่งรู้หมดแล้วเป็นโสดาบันพู้เจ้าเคยถา ม, มสงสาว ก, ก่อนป ร, รินิพานมีใครสงสัยอะไรอีกไหมนะสงสัยให้รีบถามนะพระศาสดาอยู่ตรงหน้าตอ น, นตอนนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครถามเลยนั่งเงียบหมด พระนนทก็อัศจรรย์บอกโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีใครสงสัยพระพุทธเจ้าเลยนะพะพุทธเจ้าบอกอนอน์ไอ้ที่ไม่สงสัยเนี่ยเพราะผู้ที่นั่งอยู่นี้ทั้งหมดคนที่ภาวนาต่ําที่สุดคือโสระบันนะหมดข้อสงสัยนะไกลอย่างไม่รู้ <laughs> อะไรพระอาจารย์พดิดีมีคําถามจากพี่ท่านเนื้อค่ะท่านถามว่าทําไมถึงมีหลายศาสนาทําไมไม่มีศาสนาพุทธศาสนาเดียวค่ะ อ๋อทำไมมีหลายศาสนาเหรอเอ่อคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยในโลกเนี่ยมันมีไม่เยอะนะพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยทอพระไทยในการถ่ายทอดบอกสอนแต่พระองค์มาพิจารณาว่าเอ่อคนในโลกเนี่ยเปรียบเหมือนบัวสามเหล่าเราเคยได้ยินบัวสี่เหล่าใช่ไหม ผู้เจ้าไม่เคยตรัสผู้เจ้าตรัสบวชสามเหล่าอยู่ใต้น้ําปลิมน้ําพล น, น้ำนะและผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยจะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมถึงเขาจะมีอินทรีย์ภาวนาแก่กล้าขนาดไหนก็ตามแต่เพราะการไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจพผู้เจ้าเขาไม่สามารถรู้ธรรมเองได้ ต้องได้ยินได้ฟังธรรมแม้เพียงหนึ่งบทสะก่อนนะฉะ น, นั้นพระองค์จึงหาตัดสินใจที่จะสอนธรรมะนะเพราะเห็นแก่บุคลคลกลุ่มนี้เพราะนั้นเป็นธรรมดาคนที่มีทุลีในดวงตา ม, มากก็จะยึดถือสิ่งผิดๆความเห็นผิดๆสมณพาพมหลายพวกในครั้งพุศการก็ยึดถือผิดๆเยอะแยะ คนบางคนก็มาโต้ ว, วาทะกับผู้เจ้าบอกว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยไม่ควรแก่เขาทั้งหมดเลยผู้เจ้าบอกพราหมณ์ถ้าพราหมณ์มีความเห็นนี้ความเห็นนี้ก็ไม่ควรกับพราหมณ์เช่นเดียวกันเขาบอกเอา้าได้ยังไงความเห็นเขาต้องควรแก่เขาสิก็ความเห็นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในโลกเหมือนกันเห็นนะผู้เจ้าจะมีแง่มุมมีอุบายปัญญาที่แยบคายมาก เพราะคนที่ฉลาดขนาดนี้นานๆจะเกิดขึ้นทีไงนั้นเป็นธรรมดาคนจะมีลัทธิความเชื่อต่างกันในอินเดียเนี่ยเพียบเลยเป็นร้อยเป็นพันลัทธิเห็นนะธรรมดานี่มันเป็นเรื่องของโลกโลกเขาเป็นกันอยู่อย่างนี้อืมนรมั <c oughs> เออมีอีกคาถามหนึ่งอะค่ะพี่ข <c oughs> อฝากทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือก <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษอันนี้อะไรนะ อ๋อทำไมพระพุทธเจ้าถึงเลือก a อ d ด o อ d อื่นๆไม่เหมาะสมหรือระ อ, อ, อื่นๆไม่เหมาะสมเนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยถนัดภาษาตัวนี้เท่าที่เขาอธิบายให้เนี่ยคือตั้งแต่เขาเรียนปริญญาตีเขาเรียนภาษาตรงนี้และ a อ d ดรอ d เนี่ยเป็นแนวคิดของเขาคือเขาต้องการทำให้ง่ายที่สุดแล้วก็เข้า กันได้ทุกระบบปฏิบัติการเขาจึงใช้ภาษาที่เป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นภาษาของที่ใช้ในระบบปฏิบัติการของเขาจึงเป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้ในได้ทุกๆระบบปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนนี้เขาจบเอกมาเขาก็เลยเลือกทําตรงนี้ก่อนอในส่วนของ iPhone เขาก็จะทำนะแต่เขาบอกขอเวลาอีก3เดือนศึกษาเดือนหนึ่งและทําอีก2เดือนน ะ, อ, ะอีก3เดือนจะเสร็จ เราก็จะมีแอปพลิเคชันใน iPhone แล้วก็เดี๋ยวจะตามตามต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างจะใช้ได้น ะ, ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าสักหนังสือเล่มเล็กเหรออ๋อหนังสือเล่มเล็กอ่าดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์มีในแผ่นนี้นะอ่าแล้วก็ โหลดได้ในเว็บไซต์แล้วก็เอาได้ที่วัดหรือที่มูลนิธิพุทธโคนะก็รับได้ฟรีนะไปที่วัดรับได้ฟรีข้างหลังมีหนังสือวันนี้จะแจกให้เล่มหนึ่งคารวะชั้นเลิศน ะ, อะชอบไหมเป็นคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายในโลกนะข้างหลังมีแผ่นที่ให้นะมีชื่อเว็บไซต์ให้เรียบร้อย เนนี่แผ่นที่ชื่อเว็บไซต์มีให้เสร็จไปรับได้คาลวาชันเลอร์ผู้เจ้าบอกว่าหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญไม่กำหนัดไม่มัมเมาไม่รุ่มหลงมีปกติเห็นโทษปีปัญจาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโกทรัพย์เหล่านั้นเห็นไหมไง่ายๆสี่ข้อนะอ มีคำถามอื่นไหมเชิญใช่ไหมก็ได้นะคอสไลด์หน้าแรกตอนที่พระอาจารย์เปิดเรื่องที่คุยครั้งแรก ม, มันจะมีข้อสุดท้ายว่าไม่ยึดติดในความเชื่องช้า อยากจะขอคําอธิบายของความเชื่องช้าว่าปกติในศาสนาพุทธดูเหมือนมันจะเชื่องช้าอย่างเช่นเวลาเราเดินจงกรมเราก็ช้าเวลาทํำอะไรมันก็ช้าแต่ว่าในประโยคนั้นน่ะมันเหมือนอมีความเห็นที่แตกต่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าผู้เจ้าบอกอย่าเน่นช้าน <c oughs> นี่เป็นหนึ่งในมหาปุริสสวิตตกด้วยการไม่เน้นช้าเนี่ยพระอนุรธทธเนี่ยนะ วิตกขึ้นมาในธรรมเจ็ดอย่างมีไหมลองดูในธรรมเจ็ดอย่างมหาปุริสวิตกผู้เจ้ารู้ความคิดของพระอนุรุทธะมาปรากฏตรงหน้าอะไร ห, หายตัวมาปั๊บอนุรุทธะอีกข้อ น, นึงเธอจำไว้ความเป็นผู้ไม่เนิ่นช้าเพราะความตายไม่ลอยโยมนะโยมต้องมีการปราลบความเพียงทางจิตต่อเนื่องช้าเร็วผู้เจ้าไม่ได้บัญญัตินะเรื่องการเดินช้าเดรเดินตามปกติเห็นไหม โยมต้องเข้าถึงคําสอนพระเจ้าจริงๆพระเจ้าสอนความเป็นปกติมัชฌิมาปฏิปทาพระเจ้าเคยเดินย่องเดินกระย ong เดินชา้าเดินเร็วมาแล้วทํามาหมดแล้วเดินปกตินะแต่โ <c oughs> ยมต้องไม่เนิ่นช้าความเนิ่นช้าเช่นอะไรพระเจ้าบอกมีคนสี่จำพวกพวกแรกเนี่ยเปรียบเหมือนม้าอาชานนันในที่เห็นเงาปะตักก็วิ่งพวกนี้ได้ยินเขาพูดเกิดแก่เจ็บตายปฏิบัติธรรมแล้ว พวกที่สองประตักเข้าถึงขุมขนถึงจะวิ่งไอ้พวกนี้ต้องได้เห็นเขาแก่เจ็บตายพวกที่สามประตักเข้าถึงเนื้อถึงจะปฏิบัติธรรมพวกที่4ี่ประตักเข้าถึงกระดูกตัวเองได้รับทุกเจียนตายเองถึงจะเริ่มปฏิบัติธรรมเร่นช้ามะช้าเร็วไม่เท่ากันเห็นนะอย่าช้าอย่าช้าหมายถึงอย่างนี้เร่งปฏิบัติซะอย่าช้าอ่า ข้างหลังข้างหลังว่างไงอยากให้อา่าถามเกี่ยวกับการลามาสูตรนะคะแล้วก็หัวใจพุทธศาสนาเกี่ยวกับอะไรนะการละมาสูตรอะคะ่ะการละมาสูตรอ่าฮะอ่าไปดูกาลามาสูตรประเด็นคืออะไรคือที่ให้ไม่ยึดติดในคําสอนแม้กระทั่งของตัวพระพุทธเจ้าเองอ๋อเข้าใจผิดแน่จาผิดนะทรงจํามาผิดก็ไปเทียบเคียงดูอ่าเราไปดูการละมาสูตรกัน สิบข้อข้อที่โยมพูดเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดกันในข้อที่สิบนะผู้เจ้าตัดสมโนโนคุนะไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อคำตถาคตนะ <c oughs> นี่ไปดูข้อที่สิบย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่า สมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนคุรุไม่มีตถาคตนะไม่ได้บอกให้ไม่เชื่อคําตถาคตนะแต่จะมีพระสูตรว่าถ้าเชื่อคําตถาคตเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานถ้าใครคิดว่าคําตถาคตควรเชื่อควรฟังมีมะอันนี้อ่าลองไปดูนี่อาตมาตอบให้โยมได้หมด ภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารคือความตายนะฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารคือความไม่ตายเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤิตยูเหมือนกันคือความตายฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรตยูชนเราใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้น จกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโลงไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถินอันเกษม กระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให goals, possible, still, ้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปราถนาทำอันเกษมจากโยค่าเถิดเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดงมงายสชาติหนึ่งไม่เสียหลายนะคำพทธเจ้าไพเราะนะเห็นนะ โยมเนี่ยสวดบทเหล่านี้ได้เลยสวดแล้วซึ้งนะโยมจะคำผู้เจ้าจะกินใจมากนะปฏิจจสุบาทพวกเนี้ยอนาปานสิโยมสวดเลยสวยดดีมากมข้างหลัง<บ>ว่ายัางไงครับนะเลียนถามพระคุณเจ้าอะค่ะเด<อ>ียวเพราะว่าตอนนี้เจอแบบเพื่อนที่ทำงานหรือพี่น้องที่รู้จักกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะอืมเออก็รู้สึกว่าเขาไม่พอใจกับ สิ่งที่เขาเป็นอยู่อ oh. ทีนี้เราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้าง oh. เพราะบางครั้งพูดอะไรไปบ้างนิดหน่อยก็รู้สึกเหมือนกับเขาก็คงไม่พอใจ oh. อย่างเช่น ท, ที่เคยเจอมาค่ะอย่างพี่เขาก็ติดเรื่องจรีละร่างกายแขนใหญ่ขาใหญ่เดี๋ยวจะไปทำนู่นทำนี่เราก็บอกว่า ให้นึกถึงคนที่เขาไม่มีแขนไม่มีขาสิเขาคงยักมีแขนใหญ่ๆขาอ้วนๆอะไรแบบนี้นะแต่ก็รู้สึกเขาไม่ค่อยพอใจก็เลยก็แต่เ็าจะพูดครั้งเดียวอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็จะเป็นการสร้างศัตรูหรือเปล่าธรรมดาเยมคนไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยักตาสติไม่มีการปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้พูพุทธเจ้าบอกเมื่อเธอไม่ตั้งจิตอยู่กับกาย ตาจะฉุดเอาผู้นั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็รู้สึกอึดอัดขยักขยังมองขาตัวเองอู้ใหญ่ไปแขนโอ้ใหญ่ไปไม่พอใจแล้วเห็นนะมันจะรู้สึกอึดอัดขแยังเมื่อตากระทบรูปผูกระทบเสียงดีใจบ้างเสียใจบ้างหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนึกถึงเรื่องดีไม่ดีก็ไปพอใจเสียใจเพราะเธอไม่ตั้งจิตไว้ในกายแค่นั้นเองเรื่องง่ายๆใช่ไหม ฝึกให้เขาทำสมาธิและความยิดมั่นถือมั่นตรงนี้เขาจะค่อยๆหมดไปแล้วคือว่าหนูอยากทราบแนวทางในการที่จะพูดโน้มน้าวเข้ามาอ๋อให้เขามาสเสถียร น, นี่แหละมาปฏิบัติอย่างโยมนั่นแหละนะ <c oughs> ชวนเขามาสิบอกว่ามารู้ธรรมะพระศาสดา ก, กันใช่ไหอ่าผู้เจ้าสอนให้วิเวกหลีเล้นบ้างนะศีลดีสมาธิดี มีวิปัสสนาให้สุญญาคลาวัดก่อกามทำอย่างนี้นะสุดยอดแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆดีเองโยมคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็หมดไปมากขึ้นเท่านั้นง่ายๆหลักการนี้นะก็ค <c oughs> งสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะเน่นนานาจันแมชีมีอะไรมหมเชิญกรับนวัศสการพรานอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงใชหยโยม ต้องกราบขอบพระคุณที่ท่าอาจารย์ไม่ทอดทิ้งพวกเราเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ท่าอาจารย์มาเหมือนเปิดงานให้พวกเราแล้วเจ้าค่ะมีผู้หญิงที่อยู่ในทุกมุมของประเทศไทยที่จะมาอยู่กับเราในช่วงนี้ในฐานะของแม่ที่จะมาช่วยกันที่จะเอาธรรมะกลับไปอยู่ในใจแล้วก็จะใช้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย เป็นเป็นแก่นของการใช้ชีวิตที่จะถูกสมมติเรียกว่าเป็นลูกเป็นแม่เป็นเมียเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือจะเป็นอะไรที่สมมติว่าเป็นแต่จะเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เพราะมีคำสอนของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าที่ประคองเราเหมือนมีพระธรรมเป็นแม่เจ่าค่ะ นั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นวันเปิดงาน oh. ช่วงเย็นนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านอาจารย์กราบเนี่ยเราจะสาธยายพระไตรปิฎก uh huh. คือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า oh. ในบทเทริกาทาถ้าเผื่อท่านอาจารย์จำได้เมื่อปีที่แล้วเราก็ใช้ช่วงมาคบบูชาเพ uh ื huh. ่อที่จะทำงานที่จะนำคำสอนของพระองค์ที่สอนผู้หญิง uh huh. ออกมาแจกแจง ทำให้ประจักษ์ว่าเราควรอะไรไม่ควรอะไรณวันนี้เป็นวันแรกการมาของท่านอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วโยมไม่ได้คิดว่าท่านอาจารย์มาหรือไม่มาแต่รู้ว่าท่านอาจารย์มีเมตตาทุกครั้งที่เวลามีประเด็นในเสถียถรธรรมสถานที่จะโยมไปถึงคําสอนจากพระโอษฐ์ซึ่งอานาปนสติภาวนาในเสติเถรธรรมสถานทุกวันศุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ใช้คําสอนจากพระโอษฐ์ โดยเฉพาะในเรื่องปฏิจจสมุทบาทที่เรารู้ทันปัจจุบันกรรมที่รู้ทันกระทบแล้วไม่เผ้อเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาในปัจจุบันกรรมนั้นๆซึ่งอันนี้ก็ส่งงานให้ท่านอาจารย์ทราบ ว, ว่าก็ได้ผลเป็นเลิศมากสําหรับการทํางานของเราที่ผ่านมาคะแล้วปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจะเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2,600 ปีก่อน uh huh. ถึงวิสาขาบูชา uh huh. คือการ uh huh. ฉลองการตรัสรู้ธรรมของมหาบุรุษ uh huh. เราก็จะนำคำสอนจากพรอโอทมาสอน uh huh. ทั้งลูกหญิงลูกชาย uh huh. ให้รู้ว่าถ้าเมื่อใดที่มีธรรมที่นั่นก็จะปลอดภัย <c oughs> ที่ใดที่มีคำสอนของพระองค์อยู่ในปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาท uh huh. ในกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตเนี่ย ก็จะทำให้เรามีหัวใจของเราเป็นที่พึ่งเช่นวันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่มันตรงพอดีเลยไม่บังเอิญนะเจ้าค่ะถ้าอาจารย์คงได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของเราแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้หญิงอยู่กับเรากี่คนในสิบเจ็ดวันนี้จากวันนี้ไปเราจะไม่ว่างเว้นการสาธยายพระไตรปิฎกในบทเทรีคาถาเจ้าค่ะแล้วทางานเรื่อง ว่าด้วยรักของหัวใจผู้หญิงที่ได้รับการพัฒนาสติปัญญาจนมีแม่เป็นธรรมมีธรรมเป็นแม่เข้าถึงหัวใจของแม่แล้วก็เราให้การยกย่องผู้หญิงที่เสียสละด้วยหัวใจของโพธิสัตว์เพราะเราเชื่อว่าถ้าสังคมเราเนี่ยกาลังเดินทางเข้าสู่ความหลุดพ้นด้วยหัวใจของการที่เสียสละมันก็จะทําให้สังคมในบ้าน ในที่ทำงานหรือในสังคมไทยเนี่ยมีความหวังอยู่บ้างสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้มุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะเป็นอิสระหรือบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยก็จะใช้คุณธรรมของพระโพธิสัตว์เหมือนเดินทางอยู่บนหนทางที่จะนำไปสู่การหรุดพ้น uh huh. เผื่อมีโอกาสในช่วงเวลาสิบเจ็ดวันนี้เนี่ยอาจจะขออนุญาตท่านอาจารย์ที่จะ ขออีกสักครั้งหนึ่งของท่านอาจารย์ที่จะมาในอีกคราวหน้ า, านะชะที่จะย้าเตือนหรือเน้นในเรื่องที่ว่าผู้หญิงควรละอะไรควรอย่างไรนะชั้นะ เ, เพื่อเป็นเรคคอร์ดของการทำงานของเราด้วยแล้วก็อาจจะขอใช้วันนี้ก่อนจบเนี่ยท่านอาจารย์ได้เหมือนกับให้พรพวกเราซึ่งคนทำงานที่ไม่ได้นั่งอยู่ในธรรมศราลาเนี่ยาามากัน1ิบกลุ่มใหญ่ ที่เขาสร้างเมืองด้วยหัวใจของแม่ได้จริงๆโดยใช้ศิละปะใช้หัตถกรรมใช้วัฒนธรรมใช้จักสารมแม้กระทั่งอาหารการกินที่มาจากหัวใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ช่วยกันกอบกู้สังคมของเขาซึ่งอาจจะอยู่ในมุมต่างๆเดี๋ยวถ้าเกิดท่าอาจารย์มีเวลาอาจจะได้แวะเยี่ยมเขานะคะแล้วก็ปฏิมากรที่ได้ส่งผลงานการปั้น ที่เขาแสดงออกถึงความรักของเขาที่มีต่อผู้หญิงหรือต่อแม่แมชคะก็เพื่อให้กำลังใจคนทำงานซึ่งทำงานอยู่เยอะอยู่คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสมโพธ24ปีของสถียนธรรมสถานใน17วันแล้วใช่ไะถ้าอาจารย์กรุณาใช้ช่วงสุดท้ายสัก 2-3 นาทีให้กำลังใจผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเขาจะได้รู้ว่าเวลาที่เราพูดถึงกาลังใจจากพระโอ๋เนี่ย เรายึดอะไรเราใช้อะไรเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติที่จะทำให้เราเนี่ยมั่นคงในหนทางที่เราเลือกเดินลาบากใจไม่ชัวรค่าให้โจทย์แบบไม่ได้ทำกันบ้างเลยไม่เป็นไรก็ก็คือให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังทำเพื่อบูชาพระศาสดาและเป็นการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัต ด้วยการประกาศคำสอนของพระองค์ถ้าเราไปดูก็จะมีอนิสงค์ของการที่ประกาศคำของพระศาสดาเหมือนกันนะยมจะได้อนิสงค์ของการประกาศคำพระศาสดาซึ่งมีอนิสงค์ค่อนข้างสูงมากนะจะทำให้พระศัทธรรมยึดตั้งมั่นยมกำลังเป็นหนึ่งในความตั้งมั่นของาศาสนาพุทธของพระศัทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราต้องดีใจเราต้องปลื้มใจว่าเรากำลังทาในสิ่งที่สัตว์โลกนี้ทำได้ยากเป็นมนุษย์ก็เกิดได้ยากแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์หลายคนยังไม่พบธรรมะมนุษย์หลายคนพบธรรมะถูกบ้างผิดบ้างเราพบธรรมะที่ถูกต้องเราได้พบธรรมะที่เข้าถึงความไม่ตายโอกาสที่เราจะไม่ตายมีได้ตลอดเวลาถ้าเราตั้งใจปฏิบัตินี่คือสุดยอดของชีวิตแล้ว นะเมื่อเราได้สิ่งที่เป็นสุดยอดของชีวิตแล้วเนี่ยประโยชน์ตนเราเนี่ยเราได้แล้วระดับตงและเราได้เพียรพยายามเพื่อจะยังประโยชน์ตรงเนี้ยให้กับผู้อื่นก็ขอให้คิดว่าเราเนี่ยได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วใช่เราโยมได้ยังประโยชน์ตนยังประโยชน์ผู้อื่นนะ เท่าที่ความสามารถตนเองจะมีได้นะและอา น, นิสงส์ต่างๆที่ <c oughs> ผู้เช่าได้เคยตรัสไว้นะของการที่ช่วยกันฟื้นฟูคําของพระองค์ช่วยกา ร, รช่วยในการประกาศธรรมของพระองค์นะอา น, นิสงส์ต่างๆเหล่านี้ก็จะบังเกิดขึ้นแก่โยมก็ขอให้อา น, นิสงส์ต่างๆเหล่านี้ที่พระศาสดาได้เคยบอกไว้เนี่ย จงปรากฏขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายผู้ได้เป็นกําลังให้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้านะถึงเราจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะก็สามารถที่จะบรรลุทำไ ด, เะะได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอริยบุคคลได้ทุกลำดับชั้นก็ขอให้เหตุปัจจัยตรงนี้เป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราเนี่ยมีความสําเร็จในความปรารถนาทั้งปวงคิดวังสิ่งใดให้สาเร็จสมความปรารถนามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมของพระตถาคต แลที่สุดคอยได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการอันใกล้โดยเท่านาการทุกท่านทุกคนเทิง <c oughs> จริงอยากจะให้ดูพระสูตรสวยรวยเก่งนะสนใจไหมสนใจค่ะสวยรวยเก่งคะก่อนจะกราบพระอาจารย์นะเราดูก่อนนะคะ เ, <อ>เดี๋ยวนี้ถ้ามีเรื่องจูงใจนะฮะ <laughs> ส, สวยรวยเก่งนะี่จูงใจชาวบ้านได้ตรงเลยคะ่ะ นางมาลิการเนี่ยถามผู้เจ้าว่าทำยังไงถึงจะสวยถึงจะรวยใช่ไหมเกิดมาผิวพรรณดีไล่ต่อไลอย่างนี้ดูผู้เจ้าต่ออย่างไรโยมสร้างเหตุปจตัจจัยตามนั้นรับรองว่าได้แน่นอนนะนะ <c oughs> พระสูตรนี้ นี่นะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุความบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภขสมบัติมากและสูงสักดูก่อนพระนางมาลิกามาตุความบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ มากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวน้ำยวดหยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟแก่สมนะหรือพราม และเป็นผู้มีใจริษยาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้การบูชาของผู้อื่นเกียรติการตัดรอนผูกความริษยาถ้ามาุคกคมนั้นจุติจากอัธภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพัธุ์สามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่ำสัตว์นะเห็นนะ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 เป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายอดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไหล่ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปข่มไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามาถุกความนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้รูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากแฉะเห็นนะ เดี๋ยวไปโหลดข้อมูลนี้มาซะนะแล้วปลิ้นออกมานั่งท่องปิดไว้ที่หัวนอนนะเราจะได้สวยรวยเก่งนะนะเออวิธีการโหลดบอกอบอกแล้วนะโอเค ถ้าบอกวิธีการแล้วก็ถ้าอาจารย์เจ้าค่ะเรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยโปรยไว้ด้วยเลยนะเจ้าค่ะสวยรวยเก่งเนี่ยเพราะว่าเราจะฮิตเลยค่ะอาจจะรวมเล่มเล็ ก, ลกๆไว้ในเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นผู้หญิงชอบมากแล้วก็เป็นโอกาสที่จะให้คนแบบกวักมือคนให้เข้ามาฟังคัมสอน <c oughs> ที่สอนผู้หญิงในอดีตเนี่ย <c oughs> เราก็จะสาธยายบทเหล่านี้กันนาคะว่า <c oughs> เราจะคลองผ้ากันอย่างไรเราจะทําให้ผิวพรรณเรางดงามอย่างไรใช่ซึ่งโยมคิดว่าอันนี้ก็ล่อได้นะเจ้าคะ<ม>ดีกว่าเครื่องสําอางที่ห่อใ ด, ดๆทั้งสิ้นใช่ใช่ <laughs> ทสมาธิดีที่สุด <laughs> ใช่รัดนิ้วมือเดียว <laughs> ใช่ <laughs> เราจะกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะด้วยความเคารพเราจะเอาสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้นําเสนอนี้มาประพฤติปฏิบัติให้กายกรรมวัชิกรรมที่มี ม, มนโนกรรมที่สุจริตเป็นที่ตั้งนี้ ทำให้สังคมของเรางดงามอันชรีวัฒ น, นาอภิวา